อันนี้ก็ขอกล่าวถึงเรื่องกรรมกรรมมาบทเนี่ย น, นะช่วงนี้ก็เรียนเรื่องของว จ, จีกรรมว จ, จีกรรมนั้นตัวกรรมจริงๆได้แก่เจตนาเจตนาที่ล่วงออกมาทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมคือเจตนานั้นล่วงมาทางกายและทางวาจาเรียกว่ากรรมส่วนถ้าทางมนโนกรรมนั้นองค์ธรรมมีมีสามอย่างใช่ไหม มโนกรรมได้แก่หนึ่งท่าอภุษลนะอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิส่วนเจตนานั้นเป็นไปทางกายกรรมและวจีกรรมพูดถึงกรรมทางกายทางวาจานั้นมุ่งไปที่เจตนาเจตนาที่เป็นเหตุแสดงออกทางกายเจตนาที่เป็นเหตุแสดงออกทางวาจาซึ่งวันๆหนึ่งทํากรรมมากมายมหาศานเลย วันวนหนึ่งในเราพูดมากเนาะพูดค่อนข้างเยอะทั้งกิจการงานจีปาถักแล้วก็วันหนึ่งเราก็มีกายกรรมมากกายกรรมก็ขนาดที่ยืนเดินนั่งนอนก็ชื่อว่าเป็นกายกรรมด้วยสงองคราะห์เป็นประเภทกายกรรมการเรียงฝ่ายกุศลกับอกุศลนั้นมีความแตกต่างกันบ้างกรรมนี้แบ่งออกเป็นสองอย่างใช่ไหมฝ่ายกุศลกับอกุศล เอากุศลก่อนนะกุศลนั้นกุศลเนี่ยโดยอารมณ์ของกุศลมีมีเท่าไหร่มีหกอย่างเนาะอารมณ์หกคือหนึ่งรูปเสียงปลิ่นรสแล้วก็โพธะะแล้วก็ธรรมะธรรมะก็คือธรรมอารมณ์ทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ของถ้าพูดแบบก็คือจิตใช่ไหมดวงโตๆหน่อย ในจิตนั้นสามารถเป็นได้กี่ดวงมารโศลทั้งหมดมีกี่ดวงมารโศลแปดดวงนั้นในแปดดวงสามารถมีสีเป็นอารมณ์ก็ได้นะเราขึ้นเฉพาะอารมณ์กับวิญญาณนะวัตถุไม่เขียนอนุรักษ์พื้นที่ไว้เขียนอย่างอื่นพันจิตมีสีเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์มีโพธิภพเป็นอารมณ์และมีธรรมะเป็นอารมณ์พันจิตตรงนี้เนี่ยหมายถึงกุศลจิต เมื่อหมายถึงกุศ ล, ลจิตนั้นจิตที่เป็นกุศลเราต้องไม่ลืมว่าต้องเป็นไปกับทานศีลและก็ภาวนาทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาเนี่ยนะการให้ทานท้าล่วงมาทางกายเรียกว่ากายกรรมล่วงมาทางวาจาเรียกว่า วาจีกรรมล่วงมาทางใจเ ร, เรียกว่ามโนกรรมเพราะทา น, น, าาานรรรทเนี่ยยังจะต่างจากฝ่ายอกุศลกรรมบดนะกรรมในอกุศลกรรมรบทเนี่ยอย่างหนึ่งศีนก็เหมือนการศีนที่ล่วงมาทางกายเรียกว่าเป็นกุศลศีนนั้นเป็นกายกรรมถ้ากุศลศีนที่ล่วงมาทางวาจาเป็นวาจีกรรม น, นึกคิดทางใจเนี่ยศีนเนี่ยเป็นกายกับวาจาไม่เรียกว่าเป็นมโนกรรม ส่วนใหญ่แล้วท่านไม่เรียกว่าเป็นมนุกังเพราะว่าศีลนั้นเป็นเรื่องของกายกับวาจาส่วนภาวนานั้นเป็นได้กี่ทวารภาวนานั้นเป็นได้สามทวาร น, นะกายวาจาและก็ใจคืออารมณ์ทางนี้นี่หกอยู่แล้วใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสโรภชภะนี่อารมณ์หกแต่ว่ากุศลเหล่านั้นต้องเป็นไปกับทานศีลและก็ภาวนา ทีนี้ท า, านศีลภาวนาเนี่ยล่วงมาทางกายเรียกว่ากายกรรมล่วงมาทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมล่วงมาทางใจเรียกว่ามโนกรรมสมมุติถ้าทานที่เป็นทางกายเป็นอย่างไรก็คือเจตนาที่ให้ด้วยตัวเองอะ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นกายกรรมบอกให้คนอื่นไปให้ให้แทนเราเรียกว่าเป็นวจีกรรมถ้าคิดว่าเออเราจะให้นะอันนี้พวกนี้ก็เป็นมโนกรรมตั้งแต่คิดแล้วเริ่มคิดจะให้ ตั้งแต่ปารลที่จะให้อย่างใดอย่างหนึ่งก็สงเคราะห์เป็นมโนกรรมส่วนศีลนั้นเป็นทางกายกับทางวาจาเป็นทางกายกับทางวาจาที่ร่วงออกมาทางกายและวาจาส่วนภาวนาภาวนานั้นน่ะสมมุติว่าภาวนาก็คือการพิจารณาเรื่องความสิ้นความเสื่อมความไม่เที่ยงเป็นต้นนะถ้าในขณะเดินเรียกว่าเป็นกายกรรมถ้าสาธยายออกมาเป็น วจีกรรมไม่ขยับกายวาจาเลยคิดนิ่งๆทางใจเป็นมโนกรรมสีภาวนานั้นเป็นได้ไกายวาจามโนภาวนานั้นเป็นได้ไกายวาจาและก็มโนเป็นได้สามทวารทานส่วนศีลเนี่ยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นทางกายกับทางวาจา ส่วนภาวนาเป็นได้ทั้งกายวาจาแ ล, และใจล่วงได้สามทวานนี้คือทางทางทวานกุศลจะเป็นลนนักษณะนี้ถ้าเป็นอกุศลอ่ะถ้าอกุศลอกุศลส่วนใหญ่ก็เอาอากุศลกรรมมาบทมามาเป็นตัวตั้งใช่ไหมอกุศลกรรมมบทแสดงออกมาเป็นกายกรรมสามวจีกรรมสี่แล้วก็มโนกรรมสาม กายกรรมสามได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมแล้วก็วจีกรรมมีสี่พูดเทศพูดสอเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อมโนกรรมมีสามได้แก่อภิชาพยาปาทะและมิชชาทิฏฐิทีนี้ถ้ากายกรรมเช่นข้อหนึ่งเลยปานาติบาตปานาติบาตร่วงมากี่ทวารสองทวารคือกายกับ วาจาเพราะฉะนั้นทั้งปานาติบาตอธินาทานกาเมสุมิจฉาจาร์ถ้ากาเมเนียกายอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเส้นข้อส่วนอื่นๆเนี่ยจะเป็นได้ทางกายและก็ทางวาจาสองขวางข้าเนี่ยทางกายทางวาจาก็ได้ลักทรัพย์ทางกายทางวาจาก็ได้ส่วนกาเมสุมิจฉาจาร์ในทางกายอย่างเดียวส่วนมุสาวาตเป็นต้นนั้นน่ะทางกายก็ได้ทาง วาจาก็ได้ส่วนมนโนกรรมเนี่ยได้สามทวารเลยนะมนโนกรรมเนี่ยได้ทางกายวาจาแล้วก็ใจเรียกว่าได้สามทวารเลยนี่เป็นเป็นคําพูดแบบสรุปๆนะเข้าโครงเรื่องทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลแต่ถ้าอกุศลเหล่านี้ถ้าล่วงกรรมบทถ้าครบองค์สา ม, มารถให้ผลนําเกิดในอบายได้แต่ถ้าไม่ครบองค์มีผลไหม มีนะแต่ให้ผลหลังจากหลังจากเกิดมาแล้วเรียกว่าปวัติกาตเจตนาไม่ไร้ผลแน่คิดดีๆเข้าไว้เถอะคิดดีอย่างน้อยที่สุดสบายใจก่อนน ะ, ะในดีกาพรหมชาลสูตรเป็นคัมภีร์อันดับสามคือถ้าพรหมชาลสูตรเสร็จแล้วก็จะมีอัตกะถาพรหมชาลสูตรแล้วก็คัมภี์ชั้นที่สามเรียกว่าดีกาพรหมชาลสูตร ท่านกล่าวว่าวาจีประโยคที่เป็นไปเพราะเป็นผู้มีจิตอ่อนไม่ชื่อว่าเป็นพุทธว aja าาเพราะยังไม่ถึงความเป็นกรรมบทแต่ใครๆไม่อาจห้ามความเป็นกรรมได้ถามว่าคําพูดเหล่านั้นเนี่ยถ้าพูดด้วยอกุศลก็ถือว่าเป็นอกุศลได้ไม่ใช่ว่าแม่พูดคําพูดแบบนั้นด้วยจิตที่เป็นอกุศล น, นะแต่ก็ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆหรอกแต่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละด้วยจิตที่เป็นโทสะถามว่าแม่บาปไหมบาปนะ แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นพุทธว aja าาคือไม่ล่วงกรรมบทอะไรเหมือนอย่างว่าวาจีประโยคที่ท่านเป็นไปเพราะเป็นผู้มีจิตอ่อนไม่ชื่อว่าเป็นพุทธวาจาฉันใดวจีประโยคที่เป็นไปเพราะเป็นผู้มีคําอ่อนหวานก็ไม่ชื่อว่าเป็นพุทธวาจาก็หาไม่ได้คือหมายา็ว่าแม้แต่จะพูดนิ่มๆ น, นะอ่อนหวานหนะ้าดูแต่แต่อย่าไปบอกว่านั่นเป็นคําอ่อนหวานนะนั่นก็ชื่อว่าเป็นคําหยาบด้วย เช่นตัวอย่างว่าคําพูดของผู้ประสงค์จะให้เขาตายว่าท่านทั้งหลายจงให้คนคนนี้นอนให้เป็นสุขเถิดไม่เชื่อว่าเป็นผู้สวาัจาหาม่ได้ฮะหรือบางทีนะเวลาสั่งฆ่าคนอื่นเขาเออส่งมันไปสวรรค์สักทีหนึ่งสิส่งเข้าไปสวรรค์นหน่อยอย่างเงี้ยถามว่าหยาบไหมเอาคําพูดให้ไปข้ามจะไม่หยาบได้ยังไงใช่ไหมอันแค่น้ําเสียงที่บ่งออกมาก็ไม่ได้แปลว่าไม่หยาบเพราะมุ่งเอา เจตนาเนี่ยเป็นหลักเพราะบางคนเนี่ยสมมุติว่าสั่งฆ่านะครแค่ใช้ไม่โป้งเนี่ยลงอย่างเงี้ยอันนี้ก็แปลว่าสังฆ่าบางทีแค่กระดิกแั๊บบางทีก็ยักคิ้วหน่อยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นนิมิตแห่งการฆ่าอ่านวางแผนฆ่ามีหลายชั้นมากเพราะไม่ใช่ว่าไม่หยาบนะก็ถือว่าหยาบด้วยทีนี้โทษของพฤทวาจานั้นเชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะคนผู้ถูกพฤทวาจีบุคคลมุ่งหมายให้เป็นไปมีคุณน้อย เชื่อว่ามีโทษมากเพราะผู้นั้นมีคุณมากคือแล้วแต่ไปด่าใครอะ่ะไปด่าคนมีคุณธรรมมากก็บาปมากไปด่าคนมีคุณธรรมน้อยก็บาปน้อยหน่อยอในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคองค์กรเขามีการเดินเวียนพระเจดีย์กันนะนะพระรหัรรูปหนึ่งท่านก็มีเสเลดก็ถมเสเลดออกไปพระเทรีผู้หญิงรูปหนึ่งเดินมาข้างหลังก็บอกหญิงแพทย์สยาคนไหนมาถมไว้ตรงนี้เพราะงั้น ใช้เขาไม่หญิงแพทย์สยาเลยนะเสร็จแล้วานางก็ไม่ได้บรรลุมรคผลอะไรชาตินั้นพ อ, อมาชาติหลังก็เป็นเป็นแพทย์สยาเลยสมปากเลยสมพรปากเลยก็พ่อไปว่ากับพระอรหันใช่ไหมไปพูดกับพระอรหันกระทบกระเทียบว่าเป็นหญิงแพทย์สยาเสร็จแล้วตัวเองก็ได้เป็นแพทย์สยาจริงๆในชาติหลังมาแต่ตอนหลังเนี่ยโอ้ได้บวชกันนะเป็นพระอรหันด้วยชื่อว่านางอัมพาปาลีเถรี นางอัมพปาลีอันวาจาที่พูดออกไปนั้นถ้าสังวรสำเนียกได้ดีนี่ก็มีคุณมากมายมหาศาลแต่ถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยก็เหมือนกับมีคนเลี้ยงวัวคนหนึ่งอ่นะวัวหายเข้าไปในป่าพระเนี่ยก็ไปถามทางถามถนนหนทางเข้าทีนี้พอไปถามถนนหนทางเนี่ยคนเลี้ยงวัวนี่ก็บอกโอ้ยก็ไปด่าขี้ข้านะพวกขี้ข้าพวกอะไรประเภทนี้ ตอนหลังเกิดเป็นธาตุสมพรปากเหมือนกันได้เกิดเป็นธาตุเขาเหมือนกับที่ปากฉะั้นปากของเรานั้นถ้าหากว่าเราไม่ฉลาดพูดนะไปพูดกระทบกระทั่งกับผู้มีคุณนะ่ะครั้งก่อนที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ของเราใช่ไหมกล่าวถึงว่าไปหาทำไมสมณะโลนใช่ไหมโพธิญาณท่านได้โดยยากตัวเองเนี่ยยากจริงๆเลยนะปฏิบัติเพียรตั้งหกปีอ่ะสมพรปากเหมือนกัน ฉันเราจะกล่าวอะไรพูดอะไรไปแต่ละคําแต่ละคํานี้สังวรสังเนียกใส่ใจให้ดีเพราะว่าจะเป็นบุญเป็นบาปก็อยู่ที่ไม่ไม่น่าเชื่อไปใกล้ตัวขนาดนี้นะเป็นอีกปากให้เป็นบุญก็ได้ให้เป็นบาปก็ได้อีกอย่างหนึ่งนี้พุทสวาจาที่ยังไม่ถึงความเป็นกรรมบดชื่อว่ามีโทษน้อยที่ถึงความเป็นกรรมบดนี่ชื่อว่ามีโทษมากก็คือถ้าล่วงกรรมบดก็คือครบองค์นั่นเองอีกอย่างหนึ่งพฤทสวาจาที่ไม่ถึงความเป็นกรรมบด มีโทษน้อยอันนึ่งพู้สว aja าานั้นชื่อว่ามีโทษน้อยและมีโทษมากเพราะความแตกต่างแห่งกิเลสที่อ่อนและแรงกล้าคือถ้าจะด่าใครสักคนหนึ่งนะถ้าจิตมันหยาบมากก็าบาบมากจิตในขณะนั้นหยาบน้อยก็บาปน้อยอันนั้นนี่คือภายในถ้าภายนอกแล้วแต่ว่าไปด่าใครไปด่าบางคนเนี่ยไม่ต้องรอชาติหน้านะเช่น ไปปราโมทาผู้ที่มีฐานะสูงๆจริงๆเนี่ยถูกฟ้องเลยไม่กี่วันแค่นั้นอ่ะเข้าคุกเลยอย่างเช่นมาหลายคดีเขาคดีหมิ่นพระสังฆราชเนี่ยเนี่ยไม่ได้เลยนะหมิ่นภาพบรมราชานุภาพก็ไม่ได้แตนถ้าคำพูดบางคำนะคำพูดห ย, ยาบๆเนี่ยใช้กับบางแห่งเนี่ยก็ผลยังไม่ค่อยทันตาเท่าไหร่นนะักแต่บางแห่ง่พูดปั๊บเนี่ยแค่นั้นแ่ะทันทีเลยแหละ ครูสวาัสามีองค์ประกอบสามอย่างคือคนอื่นที่พึงด่าแล้วก็สองจิตโกรธแล้วก็สามพุ่งออกไปก็คือด่าออกไปด่ากระทบชื่อกระทบโคตรกระทบชาติกระทบตระกูลกระทบผิวพันธุ์กระทบอวัยวะสิริระต่างๆวิทยาฐานะถือว่าเป็นหมดเลยถ้าเป็นพระนะพูดแบบนั้นเนี่ยเป็นอบัตติจิตตีแต่ถ้าพูดเพื่อจะล้อเล่นน่ะเห็นเขาผอมแล้วก็อยผอมเหมือนกับไม้เสียบอะไรสักอย่างพูดคำๆไปงั้นแหะ ตลกตลกอันนี้เป็นอบัตเหมือนกันนะแต่เป็นอบัตทุพภาสิทธทุแปลว่าชั่วทุพภาษิทธิ์คือถือว่าเป็นคําพูดชั่วสมมติเขาขา ว, ขาวพูดกระทบผิวนั่นแหละพูดขำๆไปงั้นนั่นก็เป็นเป็นทุพพาสิท์ด้วยเหมือนกันพูดเรียนชื่อเล่นๆอ่ะพูดล้อเลียนพูดอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยพระทำไม่ได้นะโดยวินัยเนี่ยเป็นอบัติทุพภาษิทิ์โทษฐานพูดชั่วอบัตที่เป็นเพราะพูดชั่วในองค์สามนั้นท่านมุ่งหมาย จิตโกรธด้วยประสงค์ในอันด่าเท่านั้นหาได้มุ่งหมายจิตโกรธด้วยประสงค์จะให้ตายไม่เพราะเมื่อมีจิตโกรธด้วยประสงค์ในอันให้ตายย่อมกลายเป็นพยาบาทไปแล้วคือต้องการด่าอย่างเดียวให้มันสะใจเท่านั้นเองนะแต่ถ้าหากว่าโหด่าอย่างนั้นด้วยแล้วอยากให้เขาเป็นเหมือนกับคำด่าด้วยอันนั้นเป็นพยาบาทคนกรรมกันจะเป็นพยาบาทไปแต่ถ้า คำด่าเฉยๆก็คือให้มันได้แบบพูดให้มันสนุกปากไว้งั้นนะให้มันสะใจไปแค่นั้นเองแต่ถ้าประสงค์ให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยจะไปเป็นคนละกรรมกันจะไปเป็นประเภทมนโนกรรมคือพยาบาทแต่ล่วงทางวจีทวารเพราะนั้นคำพูดที่แช่งชักหักกระดูกประเภทนี้เป็นลักษณะของพยาบาทเป็นมนโนกรรมประสงค์ให้เขาอยากเป็นอย่างนั้นจริงๆเลย แต่คําพูดด่ากระทบกระทั่งเช่นไอนั่นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นเป็นละเป็นผู้สว aja าาคาหยาบนะให้ผลนําเกิดแนวบายได้ทีนี้ในสัมผัสปลาปะอากุศลเจตนาที่ยังกายะประโยคและวัจีประโยคซึ่งเป็นเครื่องยังผู้อื่นให้รู้สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ให้ตั้งขึ้นชื่อว่าสัมผัสปลาปะพูดเพอเจอร์พู ด, cher, พดสําราษเป็นต้น วิเคราะห์ว่าสัมผัสตาลาปีบุคคลย่อมเจรจาคำเพอเจอร์หาประโยชน์ไม่ได้ด้วยเจตนาธรรมะนั่นเจตนาที่เป็นอกุศลน่ะ น, นะพูดเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยประโยชน์ชาตินี้ก็ไม่มีประโยชน์ชาติหน้าก็ไม่มีประโยชน์อย่างยิ่งก็ไม่มีสัมผัสตาลาปะนั้นชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะอาเสวนะน้อยพูดน้อยก็บาปน้อยหน่อยใครพูดเพอเจอมากก็บาปมากหน่อย ชื่อว่ามีโทษหนะ้เพราะอาเสวนะมาอ า, าเสวนะก็คือเสพหรือพูดมากอะ่ะการอบรมการทําให้มากเชื่อว่าอาเสวนะอีกอย่างหนึ่งสัมผัสปลาปะนั้นอันสัมผัสปลาปีบุคคลให้เป็นไปแล้วเพื่อให้ผู้ใดถือเอาเมื่อผู้นั้นไม่ถือเอาชื่อว่ามีโทษน้อยเมื่อผู้นั้นถือเอาชื่อว่ามีโทษมากนะพูดสักคนเชื่อเลยอย่างเงี้ยเรื่องไม่จริงหรอกพูดขำๆไปคนเอาตามเลยแล้วขณะนี้ก็มีโทษมาก อเ น, นึองสัมผัสปลาปะนั้นชื่อว่ามีโทษน้อยและมีโทษมากในเพราะความแตกต่างกันแห่งความที่กิเลสอ่อนและแรงกล้าอย่างเช่นนักเล่านิทานซึ่งเรื่องไม่จริงอ่ะนะสามารถแต่งนิทานขึ้นมาซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรสักอย่างแล้วก็แต่งนิทานก็เล่าไปเรื่อยเรืยรืยไปเรื่องไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยประเภทนี้แหละเป็นลักษณะของสัมผัสปลาปะเหมือนอะไรนะาาการ์ตูนอ่ะภาคการ์ตูนนั่นแหละเนี่ยพวกนี้ยเพิดเจอทั้นั้นเลย ใช่ไหมมันจริงที่ไหนโอ้โหเหาะทั้งนั้นนะการ์ตูนอย่างเงี้ยนั้นการ์ตูนนั้นโลกของการ์ตูนส่วนใหญ่การ์ตูนนั้นส่วนหนึ่งเป็นลักษณะของเพอร์เจอร์ซะส่วนใหญ่นิยายด้วยไม่เป็นอย่างนั้นท่านหน่อยสัมผัสปลาปะนั้นมีองค์ประกอบสองอย่างคือความเป็นผู้มุ่งผู้เรื่องอันหาประโยชน์ไม่ได้มีเรื่องภารตะยุทธและเรื่องนำนางสีดามาเป็นต้นเป็นเบื้องหน้านะยกตัวอย่างเนี่ยในรามเกียร์น่ะ รามเกียรติหรือเรื่องมหาภารตะนะเอาเรื่องพวกนั้นมาเล่าเป็นพุ่งเป็นแฟวเป็นตุเป็นตะพวกนั้นแหะเป็นเพอร์เจอร์ทั้งนั้นแหละแล้วก็การพูดเรื่องเห็นปานนั้นเมื่อผู้อื่นยังไม่ถือเอาเรื่องนั้นอยู่กรรมบทก็ยังไม่ขาดเมื่อเขาถือเอาเท่านั้นจึงขาดเขาฟังเชื่อเลยนะเป็นตุเป็นตะเล่านิทานถ้าคนเชื่อเลยอันนี้ก็เป็นเพอร์เจอร์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในดีก า, ส, าสัมมาทิฏฐิสูท่านกล่าวว่าก็สัมผัสปลาตะทุกอย่างย่อมสําเร็จด้วยองศอง องสองก็คือมุ่งจะพูดเรื่องไม่เป็นประโยชน์แล้วก็พูดออกไปอันนี้เนี่ยองสองนี่แหละถือว่าลงกรรมาบทแล้ววันหนึ่งเนี่ยเยอะเหมือนกันนะที่เจอพวกกันแล้วก็จอไปแล้วไปที่ไหนก็ไมร่รู้คุยไปเรื่อยเสร็จแล้วก็บอกเอ๊ะบาปด้วยเลยแต่ถ้าไม่ได้ศึกษานะเราจะเห็นจะเห็นสิ่งที่เป็นอกุศลว่าเป็นกุศลด้วยซ้ําไปเพราะชาวนะของปุถุชนทั่วไปมันก็มีอยู่สองอย่างใช่ไหมกุศลกับ อกุศลอันคําพูดที่พูดออกไปคําหนึ่งเนี่ยไม่กุศลก็อกุศลนั่นแหละแต่ถ้าเป็นกุศลเอาอะไรมาจับในกระดานน่นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาสงเคราะห์อเอาเข้าข้อไหนอะ่ะถ้าไม่เข้าอันนี้เลยนะที่เหลือใช่เลยอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้แต่ถ้าอากุศลมันมีกำลังนะหรือมิจฉาทิถิมันเกิดมาไม่บาปนะคำนั้นไม่บาปล้อกเหมาอนกันไม่เป็นไรอย่างงเพราะว่าถ้าหากว่าความคิดแบบนั้นเกิดบ่อยๆนะความคิดแบบนั้นเรียกว่าอายุนิโส อโยนิโซนแบบนั้นมากๆจะทําให้เป็นมิจฉาทิฐิบุคคลเลยจะถือว่าเอ๊ะไม่มีโทษสําคัญในสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษอกุศสให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อมันมีผลเราไปบอกว่าไม่มีผลเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิอย่างหนึ่งเหมือนกันทีนี้ในเกี่ยวกับเรื่องของการใช้วาจานี้ฝังพระสูตรสักสูตรหนึ่งเนาะในกระถาวัตถุสูตรนะว่าถ้อยคําที่ควรพูดด้วยและก็ คนที่ควรพูดด้วยว่าควรคุยกับใครแล้วก็ใครไม่ควรพูดด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ไม่ฉลาดในการพูดนะที่จะไม่ไหลไปกับมุสาวาจก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะที่ไม่เป็นพุทธสวาจาไม่เป็นปิสุณาวาจาไม่เป็นสัมผัสปลาปากก็ยากอันในขณะเดียวกันเราก็ต้องทําความศึกษาด้วยว่าใครเนี่ยเป็นคนที่ควรที่เราจะคุยด้วยใครเป็นบุคคลที่เราไม่ควรจะคุยด้วย ข้อความในอังคุตระนิกายติกานิบาตกระถาวัตถุสูตรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายกระถาวัตถุสามนี้กระถาวัตถุก็คือเหตุให้เกิดคำพูดะนะสามอย่างคืออะไรคือบุคคลพูดถึงเรื่องราวประรบเวลาที่เป็นอดีตว่าการที่ล่วงไปแล้วได้เป็นอย่างนี้อย่างหนึ่งถ้าเวลาพูดคุยกันส่วนหนึ่งก็เอาเรื่องในอดีตที่ผ่านมา มาคุยกันกล่าวกันโอ้ยสมัยนั้นนะไมเป็นหนุ่มเนี่ยไปทําม่นโน่นโน่โ น, นมาสมัยมีแรงมากลักษณะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคําพูดที่ปรารถอดีตแล้วก็พูดเรื่องราวปรารถเวลาที่เป็นอนาคตว่าการภายหน้าจากเป็นอย่างนี้อย่างหนึ่งเล่าเหตุการณ์บ้านเมืองต่อไปข้างหน้าอันเวลาคุยกันก็หนึ่งอดีตสองอนาคตสามพูดเรื่องราวปรารถเวลาที่เป็นปัจจุบัน บัตรนี้ว่าการที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าบัตรนี้เป็นอยู่อย่างนี้อย่างหนึ่งแรีว่าถ้าสนทนาปัญหาบ้านเมืองอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าเป็นคําพูดที่ปรารถบปัจจุบนันคําพูดปรารถบอดีตก็มีคําพูดปรารถบอนาคตก็มีอั้นเวลาคุยกันก็ปรารถบสามอย่างนี้ใช่ไหมปรารถบอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างแต่ถ้าพูดปรารถบอดีตแล้วเป็นคําพูดที่เป็นไปในกุศลก็อย่างไร ก็คือคําพูดที่ปารลว่าในอดีตการมีพระผู้มีพระภาคพันนามว่ากัสสะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคพันนามว่ากัสสะมีอุปถาคชื่อว่าพระเจ้ากิกิหรืออีกสำเนินหนึ่งบอกพระเจ้ากิงกิหรือปารลอนาคตก็คือมีพระผู้มีพระภาคจะมาตรัสรู้คือพระพระเสียริยะเมตไตรนะมีมีพระราชาที่เป็นอุปถากก็คือพระเจ้าสังข์พระเจ้าสังข์ เหมือนอำเภอตอมาอยู่เปี๊ยะเลยแต่นั่นเป็นคนนะนะแล้วก็ถ้าปารปัจจุบันกพระราชาเนี่ยสมมติเราพูดถึงในหลวงอะ่ะการพูดถึงในหลวงตอนนี้พระองค์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยก็จะฉลองครบรอบแล้วก็พูดลักษณะนี้เรียกว่าคําพูดที่ปารพัจจุบันแต่ปารพในส่วนที่ดีๆนะคือถ้าคําพูดเป็นไปในส่วนที่ดีๆลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะของเป็นไปกับกุศลแต่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ย หาประโยชน์ชาตินี้ก็ไม่ได้ประโยชน์ชาติหน้าก็ไม่ได้ถ้าลักษณะ น, นี้ก็เป็นเป็นไปกับอกุศลสะส่วนใหญ่ถ้าพูดอกุศลมากๆแล้วอย่าไปร้องเรียกหาผลบุญมากนะบอกเอ๊ะไม่ได้ทำบาปเลยแต่วันหนึ่งพูดไม่ได้หยุดเหมือนกันเ <c oughs> คยคิดไหมเอ๊ะถ้าไม่ได้ศึกษาคำสอนนะเราไม่ไม่ไม่อยากคิดเลยว่าเอ๊ะที่เราพูดนี่มันมีโทษอ่ะใช่ไหม การปล่อยวันคืนให้ผ่านไปมีการพูดการคุยการยืนการเดินการนั่งการนอนเนี่ยชาวนะทั้งนั้นเลยเนาะชาวนะที่เป็นเหตุให้ยืนเดินนั่งนอนพูดหรือแม้กระทั่งนึกคิดต่างๆชาวนะเหล่านั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนจะไม่รู้ว่านั่นคือธรรมะฝ่ายฝ่ายไหนฝ่ายเหตุฝ่ายเหตุหตในชาวนะนั้นจะต้องเป็นเจตนานั้นเรียกว่าสังขาร เจตนาในชาวนะสังขารหรือเป็นกรรมภพถ้าชาวนะนั้นเป็นโลภะก็เป็นอุปาทานกับเป็นตัณหาด้วยถ้าเป็นโทสะก็อยู่ประเภทกรรมภพท่านทำเหตุใหม่อยู่ตลอดเนี่ยวันๆหนึ่งเนี่ยทําเหตุใหม่อยู่ตลอดในขณะเดียวกันก็รับผลแห่งกรรมเก่าด้วยถ้าผู้ที่ศึกษาวิถีมาอย่างเช่นทางหูที่ได้ยินเสียงเนี่ยใช่ไหมโสตวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะเป็นเหตุ เป็นจิตชาติวิบากเป็นผลของกรรมเก่าส่วนชาวนะจิตพอได้ยินเสียงคิดอะไรต่อไปนั่นทํากรรมใหม่แล้วนะทํากรรมใหม่เพื่ออะไรเพื่อให้ได้ยินอีกเป็นต้นอ่ะจะหมุนเวียนนะในร่างกายของเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะส่วนที่เป็นนามธรรมาเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเสื่องกันและการอยู่อย่างเนี้ยไม่มีจบสิ้นถาม่าที่สุดแห่งความคิดอยู่ที่ไหนไม่ได้นะถ้าคนตายแล้วเลิกคิดไปเลยนะ หมดความคิดเด็ดขาดเลยพระอรหันต์แต่ของเราเนี่ยตายยังไงก็ยังคิดต่อไปเพราะว่าชีวิตมันอยู่แค่ตายไหมไอโดยร่างกายเนี่ยมันก็อยู่แค่ตายอ่ะแต่เวลาก่อนตายเนี่ยจะมีอะไรกรร ม, มนิมิตคตินิมิตแล้วก็กรร ม, มาอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณนะใกล้ตายจิตก็จะอาศัยอารมณ์นั้นปฏิสนธิทันทีปฏิสนธิก็คิดในภพใหม่ต่อไปอีก แล้วจะว่าไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดในภพใดก็จะไปคิดเรื่องราวในภพนั้นต่อไปส่วนที่เป็นเหตุส่วนที่เป็นผลก็อยู่อย่างนี้แหละก็มีแต่กรรมและผลของกรรมอยู่เป็นไปอย่างนี้เรื่อยอันถ้าหากว่าเราไม่ฉลาดในการคิดเมื่อไม่ฉลาดในการคิดเนี่ยหรือว่าเราไม่เห็นโทษของความคิดไม่เห็นโทษของชาวนะเหล่านั้นนั่นนะเราก็จะยังไง เมื่อไม่เห็นโทษก็เป็นมิจฉาทิถีอย่างหนึ่งเมื่อเป็นมิจฉาทิถีอะไรอะไรต่อเอกมิจฉาสังกับป่าก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมก็จะคิดผิดแล้วเมื่อคิดผิดพูดผิดเลยเมื่อพูดผิดปั๊บทำผิดอีกเมื่อทําผิดปั๊บอาชีพก็ไม่ดีแล้วเมื่ออาชีพไม่ดีความเพียรพยายามนั้นก็เป็นความพยายามผิดพยายามผิดก็จะทําให้เกิดละลึกผิดละลึกผิดก็ทําให้สงบผิดเมื่อสงบผิดปั๊บสนับสนุนความคิดผิดอีกครั้งหนึ่ง มันก็จะวนอยู่อย่างเนี้ยกระแสของสังสารวัตก็จะเป็นไปในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นมรรคปัจจัยมรรคปัจโย و. ชีวิตก็เป็นไปอยู่อย่างนี้ดําเนินตามทางเพราะว่าพวกทิฏฐิเนี่ยมันเป็นทางถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นทางไปสู่อบายอย่างเช่นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมีคติสองคือเดรัจฉานกับนรกมีคติสองอย่างสาหรับมิจฉาทิฏฐิบุคคลสมมุติถ้าหากว่า มิจชาทิฏฐิเนี่ยสำคัญว่าตายแล้วเนี่ยสมมติถ้าใครเรียนแบบหมาเป๊ะเลยนะตายแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาแน่นอนมีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆเลยนะคนที่มีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยถ้าปฏิบัติตามเรียนแบบสุนัขได้บริบูรณ์เป๊ะเลยตายเกิดเป็นหมาจริงๆสมความปาถนาเลยแต่ถ้าหากว่าแค่มีความคิดแบบนี้เข้าใจแบบนี้ใชยๆก็บอกว่าอนุภาพของความคิดอันนั้นทาให้ตายแล้วตกนรก แต่ถ้าไปฏปฏิบัติตามนะเดรัจฉานอันถ้าเราศึกษาดีๆปุ๊บจะทําให้เห็นมีความสําคัญมากในเรื่องของกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมในเรื่องของมโนกรรมมโนกรรมนั้นกล่าวถึงอภิชาอภิชาพยาปาทะและก็มิจฉาทิฐิอภิชานั้นเป็นชื่อของโลภะเจตสิก แต่ว่าโลภะเจตสิกที่มีกำลังถึงกับล่วงกรรมบทเรียกว่าอภิชาในกรรมบทแต่ว่ารายละเอียดของอภิชาก็คือโลภะทั้งหมดนั่นเองท่านจึงบอกว่าธรรมชาติที่เพ่งเลง็งชื่อว่าอภิชาชานี้แปลว่าเพ่งมันเพ่งมากอะอธิบายว่าผู้มุ่งต่อสิ่งของของผู้อื่นย่อมเป็นไปโดยความเป็นผู้น้อมไปสู่สมบัติของผู้อื่นนั้นอภิชานั้นมีการเพ่งเล็งพันดัก พันดาก็คือเข้าของเครื่องใช้ของบุคคลอื่นเป็นลักษณะอย่างนี้ว่าโอ้หนอสิ่งนี้พึงเป็นของเราเช่นโอ้เห็นวิทยุเข้างามจังเลยอะแล้วก็น้อมมาให้มันเป็นของของเราอย่างเงี้ยนะเห็นแว่นตาเห็นนาฬิกาเห็นอะไรเข้างามอย่างเงี้ยเราก็นึกน้อมเข้ามาเป็นของเราด้วยอํานาจอกุศลอันนี้แหละเป็นลักษณะของอภิชาถ้าเห็นและชอบเฉยๆก็ ก็เป็นอภิชาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถึงกับครบองค์หรือร่วงกรรมบททีนี้โทษของอภิชาความคิดที่เพ่งแรงนั้นกล่าวว่าชื่อว่ามีโทษน้อยและโทษมากก็เหมือนกับอธินาทานดูรายละเอียดในเรื่องอธินาทานอภิชานั้นมีองค์ประกอบอยู่สองอย่างก็คือประพันดังเป็นสิ่งของของบุคคลอื่นแล้วก็อัตโนปรินามนัญจะน้อมมาเพื่อตนเห็นปุ๊บเนี่ยน้อมเข้ามาหาเราเลย ลักษณะนี้เป็นอภิชาล่วงกรรมบทเนะให้ผลนํ้ำเกิดได้แค่คิดก็บาปไปแล้วเนาะที่จริงเมื่อความโลภในวัตถุของผู้อื่นแม้เกิดขึ้นแล้วกรรมบทก็ยังไม่แตกไปก่อนไปเห็นความงามของของข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปนะสมมุติถ้าหากว่าเราไปในห้างสรรพสินค้าเนี่ยไปลักษณะเห็นก็เออมันสวยดีเะนี่ยถ้าลักษณะนี้ก็ยังไม่ถึงกับล่วงกรรมบทอะไร แค่แค่เห็นว่างามใช่ใช่ทีนี้จนกว่าว่าเขาก็น้อมมาเพื่อตนด้วยคำว่าโอ้หนอวัตถุนี้พึงเป็นของเราน้อมเข้ามาหาตัวเองด้วยอานาจจิตที่เป็นอกุศลนั่นแหละเป็นอภิชานันอภิชานั้นก็คือโลภะเจตสิกนั่นเองถ้ามันมีกำลังแรงเนี่ยก็ถึงกับื่องกรรมบดได้ส่วนเรื่องของโลภะนั้นโดยละเอียดละเอียด เราคงมีโอกาสได้เรียนกันครั้งอนาคตการาไม่จุติปฏิสนธิกันท่านันในเรื่องของอภิชานั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแสดงไว้ค่อนข้างมากเพราะว่าอภิชานี้เป็นสมุทัยสัตว์เป็นโลภะเป็นตัวที่นำเกิดในภพต่อต่อไปซึ่งรายละเอียดค่อนข้างมากทีนี้ไปหาพญาปารทะเลยนะ สภาวะธรรมที่ยังประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขให้พินาฏไปชื่อว่าพยาบาทแสดงว่าไม่ปรารถนาความสุขความเกือ้อกูลให้แก่สัตว์อื่นนะนะพยาบาทนั้นมีความมุ่งร้ายเพื่อให้ผู้อื่นพินาฏเป็นลักษณะเคยไหมคล้ายๆกับคิดแช่งชักหักกระดูก น, นะออลักษณะนี้แหละเป็นพยาบาทมีโทษน้อยและมีโทษมากก็เหมือนกับพฤสวาจาพุสวาจานี้แค่คำด่าเฉยๆใช่ห ดา่าสะใจเฉยๆแต่ถ้าพยาบาทก็น้อมไปเพื่อความพินาศถ้าทั้งด่าด้วยมุ่งความพินาศ ด, ด้วยก็เป็นลักษณะของพยาบาทที่ล่วงทางวาจีอ่นะเช่นรถปาดหน้าเราปาดนะแล้วก็แฉ่งชักขักกระดูกเลยเนี่ยตรงนั้นเป็นพยาบาทที่ล่วงมาทางวาจีทวารแต่ถ้าดา่าเฉยๆเนี่ยนะก็เป็นพุทธวาราเช่น คำสํารากบางอย่างออกมาเนี่ยนะพุ่งออกมาเลยเปรียบเทียบกับสัตว์ดิราัชานเป็นต้นอันนั้นเป็นลักษณะของพระสวาาัสดแต่เขาบอกว่ารถเครื่องปาดหน้าปัา๊บเนี่ยนะเชิญให้ไปจุติปฏิสนธิทันทีเลยในขณะนั้นเป็นลักษณะของพยาบาทที่ล่วงมาทางมวจีกรรมอันคนเนี่ยทํากรรมประเภทนี้ไม่ใช่ใ น, น้อยเลยถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนนั้นอนะ่ะบางทีเนี่ยเห็นเป็นความถูกต้องด้วยซ้ำแต่ หลายครั้งที่เทสมานี่นะนั่งรถกับกับบางท่านเวลาเขาขับรถไปเวลารถปาดหน้าส่วนใหญ่เขาจะรักษาสุขภาพจิตไม่ค่อยได้ละป่วยทางใจด้วยทางวาจาด้วยคำพูดก็เสียหายซึ่งคำพูดเหล่านั้นร่วมกรรมาบททั้งนั้นเลยคนเนี่ยไปแล้วก็ยังด่าเขาอยู่นั่นแหละแทงชักหักกระดูกเขาตามไปนั่นแหละมันกรรมมันก็ทาไม่ยากเ น, ะนาะนรกมันก็อยู่ใกล้ๆเหมือนกัน จนสนัมเนลเขาว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจแต่ถ้าไม่มีใจประเภทนั้นแล้วก็นรกมันก็ไม่มีหรอกถ้าไม่มีใจดีๆสวรรค์มันก็ไม่มีหรอกมันก็ไปจากจากใจอนะเนาะแล้วแต่ใจจะน้อมไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใจที่ที่ดีก็สุขคติก็หวังได้แต่ถ้าใจที่ชั่วใจที่ร้ายไม่แช่งก็ตกนรกไม่นานนะเเดียวแค่นั้นแหลปะปฏิสุลที่เกิดพบใหม่เนี่ยนะ กับพิภตานี่ยังยังชาไปเลยเร็วมากแมตเดียวแต่ถ้าหากว่าความกโกรธมีสัตว์อื่นเป็นที่ตั้งแม้เกิดขึ้นแล้วกรรมบดก็ยังไม่แตกก่อนเห็นแล้วโกรธมากเลยนะอันนี้ก็กรรมบดยังไม่แตกตราบจนกว่าจะคิดว่าให้สัตว์นั้นอนะพินาถว่าทําช่นไหนเะสัตว์นี้พึงขาดศูนย์อย่างเงี้ยกรรมบดจึงจะแตกเพราะว่าข้อพยาบาทมีองสองใช่ไหม หสัตว์อื่นสองความคิดที่จะให้สัตว์นั้นพินาศโทษร้ายแรงมากส่วนมิจฉาทิฏฐินะเลยไปหามิจฉาทิฏฐิเลยเรื่องโทสะเรื่องพยาบาทเป็นต้นพร้อมทั้งอุบายระงับโทสะก็เอาไว้ว่ากันทีหลังต่อไปว่ามิจฉาทิฏฐินี่ยธรรมชาติที่ว่าชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะอาจว่าเห็นผิดโดยความไม่ถือเอาตามความเป็นจริงคือจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ก็ถือผิดไป มิชาทิฏฐินั้นมีความเห็นวิปริตเป็นลักษณะโดยในเมียที่ว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลมิชาทิฏฐินั้นชื่อว่ามีโทษน้อยและมีโทษมากก็เหมือนกับสัมผัสปลาปะคือเหมือนกับเพอเจอร์นั่นแหละถ้าใครซ่องเสพความคิดที่เรียกว่าทิฏฐิความเห็นอันนี้มากๆกก็มีโทษมากแต่หากว่าซ่องเสพความคิดเหล่านั้นน้อยก็โทษน้อยหน่อย อีกอย่างหนึ่งอา น, นิยตามิฉาทิฐิมีโทษน้อยนิยตามิชาทิฐิมีโทษ ม, ม, มากคือทิฐิที่ดิ่งลงไปเลยเนี่ยมีโทษมากแต่ไม่ถึงกับดิ่งลงไปก็มีโทษน้อยอันมิชาทิฐินี้มีองสองคือเรื่องทั้งหลายวิปริตจากอาการที่ถือเอาเช่นสมมติถ้าพูดธรรมดาก็คือมันขาวแต่เราไปบอกว่ามันดําอย่างเงี้ยใช่ไหมมันดําแต่เราไปบอกว่าขาว คนวิปริตจากความจริงแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะมิจฉาทิฏฐินั้นเป็นไปกับเช่นทานการให้เนี่ยมีมีผลนะเจตนาในการให้มีผลแต่เขาคิดว่าเจตนาที่ให้ไม่มีผลก็คือไม่เชื่อว่าการให้ทานเนี่ยเป็นบุญจริงการรักษาศีเนี่ยเป็นบุญคือที่ที่ปฏิเสธผลของบุญเหล่านั้นด้วยลักษณะนี้เป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิ ปฏิเสธแม้กระทั่งว่าพ่อแม่มีบุญคุณเป็นต้นอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของมิจฉาทิฐิบรรดามิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นกรรมบดย่อมแตกไปเพราะนักกะทิฏฐิอเหิตุกะทิฏฐิและอกิริยะทิฏฐิเท่านั้นกรรมบดย่อมไม่แตกไปเพราะทิฏฐิอื่นๆทิฏฐิสามอย่างเนี่ยทําให้กรรมบดแตกที น, นี้ลองมาฟังพระสูตรบ้างเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาทิฐิคงผ่านไปก่อน แต่ก็ในสูตรนี้ก็เกี่ยวกับอกิริยะทิฏฐิในมิชาทิฏฐิสามตระกูลอกิริยะทิฏฐิข้อความในอังคุตรานิกายติการนิบาตมหาวัครค์ที่สองติดทสูรว่าด้วยอกิริยะทิฏฐิกล่าวถึงลทัทธิเดรธิสามอย่างด้วยกันเรื่องนี้น่ า, นาเป็นทสูรที่น่าสนใจนะทำให้เห็นความแตกต่างของาศาสนาอื่นด้วย ทำให้เห็นความเด่นชาติของพระพุทธศาสนาด้วยในพระสูตรนี้ในติถศูตรอังคุตรนิกายติกานิบาทพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายลทัทธิเดรถีสามอย่างนี้ซึ่งบัณฑิตทั้งหลายซักไซไล่เลียงสืบไปคือถามเท่าไรเท่าไรก็คงยืนตัวอยู่ในหลักอกิริยาอากิริยาก็คือปฏิเสธการกระทานั่นเอง ลัทธิของเดรัธีสามเนี่ยคืออะไรดูก่อนพิสูจทั้งหลายมีสมณะพราหมูพวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือว่าไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้รับเพราะกรรมที่ทําไว้แล้วในปางก่อนทั้งสิ้นเป็นเหตุสุขทุกข์อุเบกขาสุขเวทนามีกี่ดวงสุขเวทนามีหกสิบสองดวงเนอะ โอ้เก่งมากทุกขเวทนามีสามเดือนทุกขเวทนามีสามเดือนอุเบขาเวทนามีห้าสิบห้าเดือนอย่าถามต่อกันแล้วกันใช้ได้เพราะในสุขทุกสามอย่างนี้เนี่ยนะลัที่เดรัจฉีเขาเข้าใจว่าได้รับเพราะกรรมที่ทําไว้ในปางก่อนทั้งสิ้นเป็นเหตุทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบขาเวทนาเนี่ยเกิดจากกรรมกรรมเก่า มีกรรมเก่าทั้งนั้นเป็นปัจจยัยนี่นี่ที่หนึ่งนะหลักอกคริยาทิฏฐิข้อที่หนึ่งสองก็บอกสมณะพราหมูพวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะพระผู้เป็นเจ้าคือพระอีศวรเนี่ยสร้างสรรค์ให้ทั้งสิ้นเป็นเหตุก็แปลว่ายกถวายพระเจ้าไปเลยว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ เสกสรรให้เป็นคนเนรมิตรเป็นผู้บรรดาให้บรรดาให้เราสุขบรรดาให้เราทุกบรรดาให้เราเฉยนี่ก็ข้อที่สองข้อสามก็บอกว่าสมณะพราหมพวกหนึ่งมีวาท่าอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าได้รับสุขหรือทุกหรือไม่ทุกไม่สุขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทั้งสิ้น คืออยากจะสุขมันก็สุขมันเองอยากจะทุกมันก็ทุกมันเองดีใจมันก็ดีใจมันเองช่อยๆมันก็เป็นมันเองอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นลัทธิอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งทั้งสามอย่างนั้นก็เชื่อว่าเป็นความเห็นผิดทั้งหมดเลยดยวกรพิสุสธิ์ทั้งหลายสมณะพราหมณ์สามพวกนั้นพวกที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้รับเพราะกรรมเก่าที่ทําไว้ในปางก่อนทั้งสิ้นพระองค์ก็บอกว่าพระองค์นี้เข้าไปถามสมณะพราหมณ์พวกนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้ยินว่าท่านทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับเพราะกรรมที่ทําไว้ในปางก่อนทั้งสิ้นจริงหรือคือพระพุทธเจ้าก็เข้าไปถามพอเราถามอย่างนี้แล้ว เขาก็ยังยืนยันอยู่ยืนยันว่ายังไงยืนยันว่าสุขหรือทุกข์หรือร อ, อุเบกขาเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมีกรรมเก่าที่ทำไว้ในปางก่อนทั้งสิ้นเป็นเหตุถ้าพูดอย่างงี้เนี่ยตรงกับคำสอนไหมดูเหมือนจริงเลยเนาะใช่ไหมเออเราจะสุขจะทุกข์ก็แล้วแต่กรรมดูเหมือนใช่เลยเนาะฟังเลยเหมือนอนถ้าทองเนี่ยเหมือนทองเนี่ยเอาไม เหมือนข้าวอางเงี้ยแอปเปิลเนี่ยเหมือนแอปเปิลพลติกอย่างเงี้ยเหมือนแอปเปิลเลยอยงเงี้ยอะไรก็ตามถ้ามันเหมือนนะไม่ใช่ความเห็นอันนี้ก็เหมือนกันอะเหมือนใช่เลยก็แสดงว่าไม่ใช่นะฮะเพระองค์ก็เลยบอกว่าเราก็กล่าวกับเขาว่าถ้ากันนั้นคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และคนเสพกรรมก็จะต้องเป็นเพราะกรรมเก่าที่ทําไว้ในปางก่อนเออคนไปลักเล็กขโมยโน้อยทั้งฆ่าทั้งผิดศีลผิดธรรมนี่ก็เพราะกรรมเก่าใช่ไหม คนพูดเท็จพูดโซเซียลพูดคำหญาิพูดสําราก็ต้องเป็นเพราะกรรมเก่าที่ทําไว้ในปางก่อนคนมักได้ก็คืออภิชาคนมีพยาบาทคนมีความเห็นผิดก็ต้องเป็นเพราะกรรมเก่าที่ทําไว้ในปางก่อนก็คือคนที่ทําอกุศลกรรมรบด ท, ทั้งสิบนี้ก็เพราะแสดงว่ามาจากกรรมเก่าซีพระพุทธจเจ้าไปถามอย่างนี้เมื่อถือเอาบุรพกรรมคือกรรมเก่ามาเป็นสาระ เอาแต่กรรมเก่าอย่างเดียวเป็นสาระคือเป็นข้อสำคัญฉันทะคือความพอใจใคร่ที่จะทำหรือความพยายามความเพียรเพื่อจะทำกรณียกิจหรืออักกรณียกิจก็ไม่มีนะเรียกว่าพอยกให้กรรมเก่าไปแล้วก็คล้ายๆกับบางคนเนี่ยนะเกิดมาก็เชื่อหลักกรรมกรรมที่ผิดแบบนี้นะเสียก็นอนอในอดีตนะ ถ้าหากว่าเราเคยทําเหตุทํากรรมให้รวยเราก็คงรวยก็เลยนอนเดี๋ยวราชรสมาเกยเองอ่ะนะแต่ใคระพวกเนี้ยเรียกว่าถือกรรมเก่าแบบไม่รู้ไม่เข้าใจหรือว่ายกให้กรรมเก่าไปหมดเลยว่าเอ๊ะกรรมเก่าให้ผลยังไงก็ไม่รู้หลักสักอย่างนอนให้รวยอ่ะนะนอนฝันหวานนะคนเมื่อไหร่หิวหิวยังเงี้ยฝันหวานล้วมีคนเอาเข้าวมาป้อนให้อย่างเงี้ยอันนี้ลักษณะที่ยกให้กรรมเก่าแบบ แบบไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเชื่อแบบนั้นไปแล้วเนี่ยใช่ไหมความเพียรความพยายามเพื่อจะทำกิจการงานก็ไม่มีความเพียรความพยายามเพื่อที่จะงดเว้นจากความชั่วบางอย่างก็ไม่มีเมื่อกรณียกิจและอาการณียกิจไม่มีเป็นลาเป็นสันเช่นนี้การอ้างตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบแกเหตุย่อมมีไม่ได้สาหรับบุคคลทั้งหลาย ผู้ขาดความสำนึกตนปล่อยประตนอยู่กระว่า ด, ด้วยสุดแท้แต่บุรพกรรมคือแล้วแต่กรรมเก่าอ่ะนะใช้ชีวิตเรื่อยเฉืยแล้วแต่กรรมเก่าอย่างเงี้ยภิกษุทั้งหลายนี้เป็นนิเคราะห์นิเคราะห์ก็คือการข่มการลบล้างอย่างชอบแกเหตุข้อแรกของเราในสมณพราหมณ์เหล่าที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้อันยกไปให้กรรมเก่าหมดเออคนที่ฆ่าตัดก็เพราะกรรมเก่าใช่ไหม กรรมเก่านี่แหละทําให้ฉันต้องมาลักมาขโมยกรรมเก่านั่แหละทําให้ฉันต้องมาผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขากรรมเก่านี่แหละทาให้ฉันพูดโกหกพูดเพ้อเจอ้อพูดคํำยาพูดสอเสียดมีใจเพ่งเลงมีความโกรธมีมิจฉาทิฐิเพราะกรรมเก่าเสกสรรมานะถ้าพูดอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกเออแล้วที่ถูกเป็นยังไงอ่ะนะไอถูกเป็นยังไงรู้ว่าเออใช่ใช่ผิดผิดเออถูกเป็นยังไงก้า ดูการพิสูนทั้งหลายสมณะหรือพรามนะเราที่มีทิฏฐิอย่างนี้ว่ามีทิฏฐิมีความเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับเพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างสรรให้ทั้งสิ้นเราก็เข้าไปหาสมาณะพรามเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้ยินว่าท่านทั้งหลายมีวาท ะ, ะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลได้รับสุข หรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขได้รับเพราะพระผู้เป็นเจ้าเพราะพระเป็นเจ้าเนี่ยสร้างสรรค์ให้ทั้งสิ้นจริงหรือเราถามอย่างนี้แล้วหากเขายังยืนยันอยู่เราก็กล่าวกับเขาว่าถ้ากันนั้นคนฆ่าสัตว์นะคนฆ่าสัตว์ก็พระเจ้าใช่ไหมสร้างให้อ่ะคนรักทรัพย์ก็พระเจ้าสิสร้างให้คนเสพกามก็พระเจ้านี่ยทาให้เส็บคนที่พูดเท็จก็เพราะพระเจ้าอะ่ะใช่ไหม พูดซอเสียดพูดคำยาพูดเพอเจอก็พระเจ้าใช่ไหมสร้างหรือว่าคนที่มีอภิชามีพยาบาทมีมิจฉาทิฐิก็ต้องเป็นพระผู้เป็นเจ้าสร้างสรรค์ให้ทั้งสิ้นเมื่อถือการสร้างเอาแห่งพระเป็นเจ้ามาเป็นสาระฉันท์าหรือความพยายามเพื่อจะทํากรณียกิจหรืออากกรณียกิจก็ไม่มีเรียกว่ายกให้ผู้บรนดาลผู้เสกสรรไปสมดุด เมื่อกรณียกิจและอคการณียกิจไม่มีเป็นล่ําเป็นสันเช่นนี้การอ้างตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบแก่เหตุย่อมมีไม่ได้สําหรับบุคคลทั้งหลายผู้ขาดความสํำนึกตนปลประตนด้วยถือว่าสุดแต่พระเป็นเจ้าจะสร้างสรรค์ให้นี้ภิกษุทั้งหลายเป็นการลบล้างอย่างชอบแก่เหตุข้อสองของเราในสนมณะพราหมณ์เหล่าที่มีทิฏฐินี้อย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้นะ คือเป็นการแก้อย่างหนึ่งเหมือนกัว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสมมตหรอกดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทั้งสิ้นลอยลอยอ่ะนะอยู่ๆมันก็สุขมันเองอยู่ๆมันก็ทุกข์มันเองอยู่ๆมันก็เฉยมันเองมันเป็นลอยลอย มันคล้ายๆว่าจะโชคดีกว่าโชคดีแบบเลยลอยจะโชคร้ายก็โชคร้ายเลยลอยมันฟลุกอย่างเงี้ใช่ไหมลัทธิอย่างนี้ก็เป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งเหมือนกันเราก็เข้าไปหาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้ยินว่าท่านทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทั้งสิน้นจริงหรือใช่ไหมจริงหรือเปล่า ที่ที่เข้าใจอย่างนี้เราถามอย่างนี้หากเขายังยืนยันเราก็กล่าวกับเขาว่าเออถ้ากันนั้นคนฆ่าสัตว์ก็ฆ่าโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยใช่ไหมคนลักทรัพย์คนประพฤติผิดในกามก็ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยใช่ไหมคนพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพู ด, พดสําราค ก, ก็ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยใช่ไหมคนมีอภิชาคนมีพยาบาท หรือว่าคนเป็นมิจฉาทิฐิก็เกิดขึ้นเลยลอยใช่ไหมก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเมื่อถือเอาความไม่มีเหตุมาเป็นสาระฉันทะหรือความพยายามเพื่อจะทำกรณียกิจหรืออาการณียกิจก็ไม่มีเมื่อกรณียกิจและอาการณียกิจไม่มีเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้การอ้างตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบเกยเหตุก็มีไม่ได้สาหรับบุคคลทั้งหลายผู้ขาดความสานึกตน ปล่อยปล่าตอนอยู่ด้วยถือว่าสุดแต่คราวเคราะห์ดีหรือร้ายนี้พิสูจนทั้งหลายเป็นการลบล้างอย่างชอบแก่เหตุข้อสามของเราในสมณพราหมณ์เหล่าที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้นี่และพิสูจน์ทั้งหลายลัทธิเดรธีสามซึ่งบัณฑิตทั้งหลายซักไซไล่เลียงสืบไปสืบไปเท่าไหร่ก็คงยืนอยู่ในหลักอกิริยาสรุปแล้วก็ ไม่ได้ทําให้เข้าใจชีวิตอะไรมากขึ้นนะก็เป็นลักษณะของที่ที่ที่ปฏิเสธการกระทำกิริยานี่แปลว่าการกระทำอกิริยาก็คือการไม่กระทำนั่นเองทีนี้เราลองไปดูอัตรกระถาบ้างนะคำว่ากรรมเก่าก็คือมาจากบาลีว่าปุปพหะกะตะเหตุเพราะกรรมที่ตนทาไว้แล้วในชาติก่อนเป็นเหตุก็คือรัฐที่ที่ที่เข้าใจว่า กรรมเก่าเนี่ยที่ทำไว้ในปางก่อนเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งหมดนั่นแหละอธิบายว่าบุรุษบุคคลเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาเพราะกรรมที่ตนทํำไวในชาติก่อนเป็นปัจจัยเท่านั้นด้วยบทว่าปุเพกะตะเหตุนี้มิจฉ่นทิทกะบุคคลทั้งหลายปฏิเสธกรรมเวทนาก็คือเวทนานี่บางอย่างก็เกิดแต่กรรม และกิริยาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่กิริยายอมรับแต่เฉพาะวิบากเวทนาเวทนาที่เกิดจากวิบากอย่างเดียวเท่านั้นเวทนาที่เป็นกรรมมีสองอย่างใช่ไมกุศลกับอกุศลแล้วก็กิริยาแล้วก็วิบากเวทนาที่เกิดในขณะกุศลละจิตมีอะไรเป็นปจัจจัยถ้าเป็นสมนัติเวทนานะ เช่นบุคคลจะให้ทานด้วยสมนัตเวทนาก็คือหนึ่งอาศัยความบริบูรณ์แห่งทายทานความบริบูรณ์แห่งผู้รับแล้วก็สมบูรณ์ด้วยศรัทธาใช่ไหมเวลาจะให้ทานก็เลยเกิดสมนัติปราบเริมใจอันนี้ก็เป็นเหตุของกุศลเวทนาที่เป็นสุขแต่ถ้าหากว่าอุเบกขาเวทนาเช่นของที่จะให้ก็ไม่บริบูรณ์อย่างนี้ใช่ไหม ผู้รับก็ไม่เป็นที่ประทับใจนักลักษณะนี้ก็เป็นอุเบกขาเวทนาที่เป็นกุศลส่วนโสมนัทเวทนาหรือสุขเวทนาที่เป็นอกุศลใช่มเจอเพื่อนเก่าเป็นไงยิ้มแป้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เป็นมาจากกรรมเก่านะใช่ ไ, ไอ้ดีใจที่เจอเพื่อนเก่าเนี่ยไอ้ความดีใจในขณะนั้นไม่ใช่ผลของกรรมเก่าแล้วต่อไปอีกนะเช่นข้าวของเครื่องใช้แตกเสียหายแล้วก็เสียใจหรือทุกข์ใจ อันนั้นก็ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าใช่ไหมไอความเสียใจในชวนะไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าหรือว่าอุเบกขาเวทนาในชวนะบางอย่างก็ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าแต่ว่าอุปนิสัยอาจจะมีแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผลของกรรมเก่าเพราะเวทนาที่เกิดในชวนะเป็นเวทนาที่ที่อะไรที่เกิดจากปัจจัยนั้นๆซึ่งมีหลายปัจจัยด้วยกัน แต่ว่ามิจฉาทิถิบุคคลเนี่ยปฏิเสธพวกนั้นทั้งหมดปฏิเสธอย่างกิริยาเวทนาเวทนาที่เกิดร่วมกับกิริยาจิตก็ปฏิเสธยอมรับเฉพาะวิบากเวทนาก็คือวิบากที่เกิดจากกรรมอย่างเดียวยอมรับว่าเวทนาทั้งหมดเนี่ยเกิดจากกรรมซึ่งของเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นใช่ไหมเรากล่าวว่าถ้าหากว่าในขณะทางตาเห็นเนี่ยนะปัญจทวาราวชนะเกิดจากอะไร ปัญจทวาราวัชนะเป็นจิตชาติอะไรชาติกิริยาเมื่อเป็นชาติกิริยาไม่ได้แปลว่ามาจากกรรมเก่าแต่กิริยาอันนั้นมีพวังขจิตเป็นอนันตระปัจจัยก็คือจิตดวงก่อนนั่นเองใช่ไหมก่อนที่ปัญจทวาราวัชนะจิตจะเกิดพวังขจิตก็จะเกิดก่อนอันผวังขจิตอันนั้นเนี่ยมาจากมาจากปัจจัยคืออนันตระปัจจัยคือผวัง พอปัญจทาาวาราวัชนะเกิดขึ้นจากขูวิญญาณก็เกิดเวทนาที่เกิดร่วมกับจากขูวิญญาณเป็นผลของกรรมเก่าสัมปติชนะจิตก็เป็นผลของกรรมเก่านะโดยนานทขักนิกกรรมปัจจัยสัมปติชณจิตสันติรณจิตก็เป็นผลของกรรมเก่าอันนี้โดยนานทขคณิก ก, กรรมปัจจัยแต่อารมณ์ของ จากขูวิญญาณสัมปติชนะจิตสันติระนาจิตคือไรคือสีใช่ไหมเมื่อคือสีสีบางอย่างก็มาจากผลของกรรมเก่าแต่สีเป็นอารมมณปัจจัยให้แก่จากขูวิญญาณเป็นต้นดังนั้นปัจจัยของจากขูวิญญาณสัมปติชนะจิตสันติระนาจิตไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวคือกรรมใช่ไหมไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวคือกรรมแต่ผู้ที่เรื่องกรรมสุดโต่งไปก็จะโยนให้กรรมอย่างเดียวใช่ไหม ถโยนให้กรรมอย่างเดียวเนี่ยแสดงว่าเข้าใจไม่ถูกนะแต่ถ้าเข้าใจเรื่องกรรมเข้าใจเรื่องกรรมดีจะต้องเข้าใจหลักองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องกรรมอีกสี่อย่างคือกาลคติอุปธิประโยคะด้วยใช่ไหมต้องเอาความรู้เรื่องอันนี้มาวิเคราะห์เข้าไปด้วยไม่ใช่ยกให้กรรมเก่าไปหมดนะทําแก้วแตกผิดพลาดเองไม่รู้จักสํารวมระวังเแตจก็ยกให้กรรมเก่าไปทั้งหมดเลยนะต่อไปนะว่า พวกมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ยอมรับเฉพาะเวทนาที่เกิดจากวิบากะนะที่เป็นวิบากเวทนาที่เกิดจากกรรมอย่างเดียวส่วนกรรมเวทนากิริยาเวทนาไม่ยอมรับคือยกให้ผลเป็นผลของกรรมไปทั้งหมดเลยบุคคลจะสุขจะทุกข์จะเฉยเยก็แล้วแต่แล้วแต่กรรมถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยอ่าแล้วแต่กรรมเก่าอ่ะนะถ้าเข้าใจอย่างนี้ไม่ถูกแต่ถ้าใช้แล้วแต่กรรมนี่เปอร์เซ็นต์ถูกก็มีเหมือนกันแต่ไม่หมด ใช่มกรรมเจตนาทุกดวงเป็นกรรมปัจจัยแต่เป็นสหชาตกรรมปัจจัยทีนี้บอกพระ อ, องค์ตัดไว้โรคแปดอย่างด้วยกันโรคเนี่ยมีแปดอย่างก็คืออาพาธต่างๆนะอาพาธบางอย่างมีน้ำดีเป็นสมุทฐานก็คือน้ำดีนี่ช่วยเรื่องอะไรช่วยย่อยใช่ไหมถ้าน้ำดีมีปัญหาย่อยได้ไหม ไม่ได้เพราะน้ำดีที่ที่มีปัญหานะ่ะไม่สามารถทํากิจทําหน้าที่ของน้ําดีได้สมบูรณ์แบบก็เป็นเหตุให้ป่วยไข้ยอย่างหนึ่งเหมือนกันอ า, าพาธบางอย่างมีเสมหะเป็นสมุทฐานสเสลด์มากอาหารไม่ย่อยเป็นต้นก็เป็นถือว่าน้ําดีเป็นสมุทฐานต่อไปสามอ า, าพาธบางอย่างมีลมเป็นสมุทฐานแล้วก็อ า, าพาธที่เกิดจากทั้งโรคดีเสมหะโรคลมเนี่ยมาประชมกันก็ทําให้ เกิดอาพาธได้เป็นสมุฐานแล้วก็อาพาธที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูเช่นไข้หวัดเป็นต้นอาพาธที่เกิดจากการบริหารร่างกายไม่ถูกต้องใช้อิรยาบถผิดหลักอาพาธที่เกิดจากการพยายามที่ทําขึ้นก็คื อ, คอตัวเองเนี่ยทําขึ้นอ่ะสมมติว่าเดินไปเตะหินเตะเตะอะไรซะเองอย่างเงี้ยหรือว่าคนอื่นเขาเข้ามาทุบมาตีเป็นต้นอย่างเงี้ยเรียกว่าเกิดจากพยายามที่ทําขึ้นแล้วสุดท้ายอาพาธที่เกิดจากวิบากแห่งกรรม ในโรคทั้งแปดอย่างนั้นมิช้าที่ทีกะบุคคลปฏิเสธโรคเจ็ดอย่างข้างต้นแล้วยอมรับแต่เฉพาะโรคชนิดที่แปดเท่านั้นอันนี้ก็เลยทงเหมือนกันวั น, นเดี๋ยวศึกษาพษษาระพุทธศาสนาเห็นคนป่วยหมดโอ้ ย, ยเกิดจักกรราหมดเลย <c oughs> กลายเป็นตู่คําสอนเพราะพระ อ, องค์กล่าวว่าโรคภัยไข้เจ็บมีสมุทฐานแปดอย่างเนี้ยยกให้กรรมหมดไม่ได้เนอะ <c oughs> แต่ว่าพวกลัทธิกรรมเก่าเนี่ยนะโยนให้กรรมตะบัน โยนให้กรรมบางคนนี่โยนให้กรรมเพื่อที่เพื่ออะไรรู้ไหมคนทุกวันนี่ส่วนหนึ่งพอยกให้กรรมเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบจะได้ไม่ต้องแก้ไขคนคนที่เข้าใจเรื่องกรรมไม่ถูกนะพอพอใช้คาว่าเรื่องกรรมปุ๊บสบายเลยนะลอยเําไปเลยนะไม่ได้คิดแก้ไขอะไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่เชื่อว่าเข้าใจพระธรรมคำสอนถูกต้องทีนี้บรรดากองกรรสามชนิดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้คือ ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในพบปัจจุบันอั น, น, นชะชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมสองอุปชาเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในพบถัดไปชาวนะดวงที่เจ็ดให้ผลในชาติหน้าแล้วก็สามอปา ร, ราปริยอระอัปาราปริยยะเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในพบต่อๆไปก็คือ กรรมที่ที่ทำในชาตินี้นะเจตนาดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลในชาติหน้าเจตนาของชาวนาดวงที่สองดวงที่หกชาติที่แล้วให้ผลชาติไหนชาวนะดวงที่สองถึงดวงที่หกของชาติที่แล้วจะให้ผลเมื่อไรชาติหน้าเป็นต้นไปถ้าหากว่าชาวนาดวงที่สองถึงดวงที่หกของชาติถัดจากชาติที่แล้วไปอีกชาติหนึ่งให้ผลเมื่อไรชาตินี้เป็นต้นไปแต่ว่าพวกมิจฉาทิฐิกบุคคล ปฏิเสธกรรมสองชนิดข้างต้นเห็นไหมปฏิเสธอะไรปฏิเสธทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมปฏิเสธอุปชาวเวทนิยกรรมยอมรับแต่อปาราปริยะเวทนิยกรรมอย่างเดียวเท่านั้นยกให้กรรมเก่าต่อพืชอ่ะเฮ้ยถ้าเราเคยทําเหตุไว้สมัยก่อนดีนะธนาคารไม่มายึดบ้านเราแนะ่คิดนานๆเข้าอมันยึดจริงๆอะ่ะเคยทำเก่าไว้ง่ายๆเลยเอาเฮอะสังสารวัตรนี่กรรมอะไรไม่เคยทำไหมบ้าง ชาตินี้นะคนส่วนหนึ่งอ่ะที่ไม่ทํากรรมก็คือกรรมหนักๆเท่านั้นแหละใช่ไหมเล็กน้อยใครไม่เคยฆ่าสาัตว์บ้างยกมือขึ้นนีไหมไม่เคยฆ่าตัวเดียวเลยอ่ะย่างเงี้ยมีอ่ะเนะไม่เคยหยิบของคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะข้อสามอาจจะมีอ่ะนะข้อสามอาจจะมีคนทําได้ข้อสี่อ่ะไม่เคยหลอกใครเลยเหรอมีไหมพูดโกหกมันดีไม่จริงหรอกหายากเต็มดีนนะหาทํายายากมากเลยข้อสี่อ่ะ ไม่เคยด่าใครเลยมีไหมน่ะตั้งแต่เด็กมาเลยอ่ะจันนั่งแต่เด็กมาเลยอย่าไปว่าไอ้ตอนเอ้ใช่อตอนนั้นนั่งฟังธรรมเนี่ยไม่เคยเลยอ่ะไม่ใช่เอาแบบเหมือนพระ อ, องค์คริมานใช่ไหมดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดในอาริยาชาติเนี่ยคิดจะฆ่าไม่มีเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยตอนบวชแล้วตอนบวชไม่บวชนะแล้วโซเสียดอ่ะเคยพูดว่าร้ายคนอื่นไหมแล้วเพอร์เชอร์อ่ะพูดน้อยไม่เคย โลภะเนี่ยโทสะเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เคยทั้งนั้นแะแต่ทีนี้เพราะความไม่เข้าใจนี่แหละมันก็เลยยกให้กรรมเก่าไปหมดนี้ต่อไปนะในกองวิบากสามชนิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้คือทิฏฐธรรมะเวทนยวิบากวิบากของกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันอุปชาวเวทนยวิบากวิบากของกรรมที่ให้ผลในภพถัดไป อปราปริยาเวทนิยวิบากวิบากของกรรมที่ให้ผลในภพต่อๆไปมิจฉาทิถิกับบุคคลปฏิเสธวิบากสองอย่างข้างต้นยอมรับเฉพาะอปราปริยาวิบากอย่างเดียวเท่านั้นกรรมที่ให้ผลในชาตินี้ก็ไม่เอากรรมที่ให้ผลชาติหน้าก็ไม่เอาเอาประเภทที่สามยอมรับอย่างเดียวอันลัที่เรื่องกรรมนั้นถ้าศึกษาไม่ดีพอนะก็ทาให้เป็นมิจฉาทิถิได้ศึกษาพระธรรมนี้แหละ เห็นต่างหลายคนแล้วบางทีพูดมาเห็นถูกเลยแยกไม่ได้ของามาเนี่ยใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนกันไม่ต้องคนอื่นหรอกมาอ่านสูตรนี้มันจะเป็นอย่างนั้น เ, เวทนามก็เกิดจากกรรมอ่ะเราสูตรผิดหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นอย่างนั้นเลยเราแยกไม่ได้ใช่ไหมหน่าสงสารกันเนี่ต่อไปนะว่ากองแห่งเจตนานเนี่ยมีสี่ชนิดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้คือกุศลเจตนาหนึง่ง อกุศลเจตนาหนึ่งวิบากเจตนาหนึ่งกิริยาเจตนาหนึ่งมิจฉาทิฏฐิกบุคคลเนี่ยปฏิเสธเจตนาสามชนิดยอมรับแต่เฉพาะวิบากเจตนาอย่างเดียวเท่านั้นจิตมีกี่ชาติจิตมีสี่ชาติหนึ่งกุศลชาติสองอกุศลชาติสามวิบากชาติสี่กิริยาชาติกุศลชาติมีกี่ ด, ดวงยี่สิบเอ็ดวงยี่สิบเอ็ดวงคือ มหากุศลจิตแปดมหากตากุศลจิตเก้าแล้วก็โลกุตระกุศลอีกสี่สี่หรือยี่สิบวิบากชาติมีกี่ดวงวิบาก ท, ทั้งหมดมีเท่าไหร่อา่าวิบาก ท, ทั้งหมดนะมีสามสิบหกใช่ไหมโดยย่อใช่ไหมอา่าวิบากสามสิบหกนั้นได้แก่อากุศลวิบากเจ็ดดวงอเหตุกะกุศลวิบากแปดดวงมหาวิบากแปดดวงมหาคตาวิบาก เกดวงโลกุตราวิบากนสี่ดวงรวมเป็นสามสิบหกดวงโอ้เหมือนท่องมาเปี้ยเลยต่อไปกิริยากิริยาจิตมีกี่ดวงกิริยาจิตทั้งหมดยี่สิบดวงก็คืออเหตุกากิริยาสามดวงมหากิริยาอีกแปดดวงมหากตะกิริยาอีกเก้าดวงนะยี่สิบอกุศลอกุศลเจตนามีกี่ดวงสิบสองดวง อากุศลก็สิบสองเหนเนาะถ้าโลภะแปดโทสะสองโมหะสองวิจิกิชามีหนึ่ง <c oughs> จิตที่ประกอบด้วยถินามิถ้ามีกี่ดวงห้าดวงศึกษาพระธรรมไม่ดีปั๊บจะยกให้กรรมเก่าหมดนั้นจึงไม่ไม่ถูกต้องก็ที่เล่าให้ฟังว่าคนส่วนหนึ่งนะพอศึกษาเรื่องปัจจัยมาระดับหนึ่งเขาบอกเออแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจยัยเออพูดเหมือนจริงนะ ฟังเนี่ยโอ้โหเท่มากเลยนะเรียนถ้ารำมาเข้าใจเยอะเลยอะโอ้โหแล้วแต่เหตุแลแต่ปัจจัยฟังแล้วคําพูดเนี่ยเชื่อได้มากเลยนี่เราก็ต้องถามต่อไปว่าเหตุมีเท่าไหร่เหตุมีเท่าไหร่เหตุหกเนาะเหตุหกคือหนึ่งโลภะเหตุสองโทสะเหตุสามโมหะเหตุต่อไปอะโลภะเหตุอโทสะเหตุและอโมหะเหตุเออเหตุมีหกเอาเหตุไหนล่ะปัจจัยมีเท่าไหร่ ยี่สิบสี่ปัจจัยหนึ่งเหตุตุปัจจัยสองอารมณปัจจัยสามอธิปติปัจจัยสี่อนันตรปัจจัยต่อไปสมานันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยนิสยปัจจัยอุปนิสยปัจจัยกรรมะปัจจัยวิปากปัจจัยอะไรอีกชาณปัจจัยมรรคปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตปัจจัยอะไรอีกอินทรียปัจจัยว่าไปยัง ของมาเนี่ถ้าว่าเป็นภาษาไทยนี่ว่ายากกันนะน้องว่าเป็นภาษาพระพุทธเจ้าได้เฮ ต, ต, มม ต, ตุปัตยโยรัมนะปัตยโยทิปติปัตยโยเนี้ยสบายหน่อยเพราะฉะันถ <c oughs> ้าหากว่ารัที่บางอย่างนะถ้าเข้าใจผิดก็จะเป็นลักษณะนั้นหรือบางคนที่ปัดความรับผิดชอบก็ยกให้ปัจจัยไปเลยก็มีคือปัจจัยมีทั้งหลายอย่างใช่ไหมเสร็จแล้วโอ้ปัจจัยมียี่บสีอย่างคุณจะเอาปัจจัยไหนล่ะตอบไม่ได้อีกนั่นแหละใครคําว่าเหตุแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัย ก็ควรที่จะมีความเข้าใจในเรื่องเหตุปัจจัยเหล่านั้นให้มันท่องแท้วิเคราะห์ให้ออกรักที่ที่เป็นประเภทพระเจ้าสร้างก็ลักษณะเดียวกันนะคล้ายๆกันประยุกไปก็แล้วกันทีนี้มาดูถ้าเป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจนทั้งหลายส่วนว่าธรรมะที่เราแสดงนี้ใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่หมองมัว สมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่ติเตียนไม่คัดค้านเอาผู้รู้เป็นประมาณนะไม่ใช่ว่าโหไปเอากระจอกหง่อยที่ไหนไม่รู้มาคัดค้านติเตียนเอาคนประเภทนั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้เรียกว่าไม่เอาคนพรานเป็นประมาณธรรมะที่เราแสดงนี้ใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่หมองมัวสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่คัดค้านคืออะไรคือธาตุหกธาตุหก ภาษายตนาหกมโนโปวิจารสิบแปดอริยสัจสี่เหล่านี้ที่เราแสดงเนี่ยนะใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่หมองมัวสมณะพราหม้รู้ไม่ติเตียนไม่คัดค้านก็คำที่เรากล่าวว่าธรรมะที่เราแสดงนี่นะใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่หมองมัวสมณะพราหม้รู้ไม่ติไม่ค้านเนี่ยนะคือาธาตุหก ดังนี้นี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วธาตุหกคาว่าธาตุแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนคําว่าธาตุก็คือทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนอมีหกอย่างคือธาตุนี่ยมีหลายในนะธาตุธาตุสองก็มีธาตุสามก็มีธาตุสี่ก็มีธาตุห้ามีหรือเปล่าเคยได้ยินไหมไม่เคยนะธาตุหกมีธาตุหกมีธาตุสิบแปดมีพวกเนี้ยธาตุ วิธีแสดงธาตุนี่มีหลายอย่างตรงนี้ยกมาประเภทธาตุหกธาตุหกก็คือปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวาโยโอธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุคำที่เรากล่าวว่าธรรมะที่เราแสดงนี่นะใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่หมองมัวสมณพราหมณ์ผู้รู้ไม่ติไม่ค้านคือธาตุหกดังนี้นี้เราอาศัยธาตุมีปฐวีธาตุเป็นต้นนี้ แลกล่าวแล้วธาตุหกเหล่านี้เนี่ยที่พระองค์ทรงกล่าวแล้วเนี่ยอันธาตุหกเนี่ยนะสมมุติถ้าหากว่ายกแขนมาเอาเอาเฉพาะข้อมือไปหานิ้วเลยเนี่ยมีธาตุได้กี่ธาตุเป็นได้กี่ธาตุห้าธาตุเนี่ยนะเอาใหม่ในในแขนเราเนี่ยนะมีได้หลายธาตุเช่นในนี้เนี่ยสมมุตินะปัทวีมีไหม ม, มีเตโชมีไห ม, มอโปมีไหม วายโอมีไหมมีช่องว่างในนี้ไหมมีเอาได้ห้าแล้วแล้วในนี้มีเจ็บไหมอา่าได้หกธาตุเลยเนะาะธาตุดินนะส่วนใหญ่ก็คือธาตุดินคือลักษณะที่แข่นแข็งลักษณะใดแข่นแข็งลักษณะนั้นเป็นลักษณะของปฐวีธาตุลักษณะไหนที่เ อ, อิบอับเป็นลักษณะของอาโปธาตุลักษณะไหนที่เคร่งตึงเป็นลักษณะของ วาโยธาตลักษณะที่เย<ม>็นร้อนเป็นลักษณะของเตโชธาตช่องว่างเป็นาอากาศสธาติธาตรู้วิญญาณธาตุสมมุติว่าในในมือของเราเนี่ยนะถ้าหากว่าธาตุใดธาตุหนึ่งมันแรงมันมากไปธาตุอย่างอื่นมีมีปัญหาเลยเช่นถ้าธาตุดินมากไปนะแข็งกระด้างแข็งกระด้างเลยนะนี้ลักษณะของเตโชธาตุถ้ามากเกินถ้า อาโปธาตุมากเป็นไงไม่ปวกเปียกละหลายเยิ้มเลยแหละอาโปธาตุเนี่ยหลายเยิ้มเลยแหละถ้าเตโชธาตุมากร้อนพองเลยเหมือนกับคนเป็นลมพิษ่เคยไหมมันร้อนมันพองแบบนั้นเลยคือเตโชธาตุมันมากถ้าวาโยธาตุมากมันเกรง็งมันเกร็งตัวนะมันเกรง็งลักษณะนั้นเขาเรียกว่าวาโยธาตุมากธาตุลมมาก แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในนั้นเป็นลักษณะของวิญญาณธาตุคือจิตเจตสิกนั้นประมวลลงมาใช้สท์เดียวคือวิญญาณธาตุมหาภูตารูปสี่คือปฐวีเตโชวาโยอโปเนี่ยนะรูปเท่ากับพูดยี่แปดแล้วนะเท่ากันแล้วพูดจิตคำเดียวนี้เจตสิกพูดไหมพูดเนาะเพราะว่าเอกุปปาธานิโรธาจะเอการัมพนวัตถุกา พันธรรมชาติของเจตสิกเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกันกับจิตอาศัยที่เกิดเดียวกันกับจิตไม่พูดก็เหมือนกับพูดแล้วนั่นแหละเหมือนคู่แฟนนะอย่างพระสารีบุตรพระโมคขาลานะนะเป็นพระที่ที่ไปด้วยกันไม่พราดจากกันเลยแหละบางทีนะกล่าวบอกว่าสารีบุตรเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นมีพระโมคขาลานะนั่งอยู่ด้วยเป็นเพื่อนโอ้และเป็นเพื่อนกันกี่ชาติแล้วรู้ไหม เป็นเพื่อนกันมาเนี่ยนะหนึ่งอสงไขยแสนกับซิปึกกันมาตลอดเลยไปไหนราบจากกันน้อยมากก่อนกล่าวถึงคนคนเดียวก็เท่ากับสองละจิตเจตสิกก็ลักษณะเดียวกันพโยคาวจรแม้เมื่อกำหนดกรรมาฐานด้วยอำนาจธาตุกโดยย่ อ, อ ก, ก็ย่อมกำหนดอย่างนี้รูปสี่เหล่านี้คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตจัดเป็น มหาภูตรูปอากาศาธาตุจัดเป็นอุปาทายรูปและเมื่อเห็นอุปาทายรูปประเภทเดียวอุปาทายรูปยี่สิบสามที่เหลือก็พึงกําหนดว่าถูกเห็นด้วยเหมือนกันอุปาทายรูปอันเดียวเท่ากับพูดแล้วยี่สิบสามรูปที่เหลืออันถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกอธิาธาอการเนะี่ยถ้าหากว่าพื้นฐานความรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปไม่ดีนะักก็จะ นึกไม่ค่อยออกเอ๊ะมันอะไรนักนาะนะบอกอ้าวอ่านในพระบาลีง่ายอยู่แล้วอัตตะขามาพูดซะยากเลยเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจไม่ถูกจะเป็นลักษณะนี้ก็คือไม่ได้เรียนพื้นฐานมาตั้งกระต้นดงนั้นความรู้ในเรื่องพระพิธรรมนะเป็นเหมือนไวยากรณ์เป็นเหมือนไวยากรณ์แต่เป็นไวยากรณ์ธรรมะวิญญาณธาตุได้แก่จิตจิตนั้นได้แก่วิญญาณขันเวทนาที่เกิดร่วมกับวิญญาณขันนั้นชื่อว่า ขันอะไรเวทนาขันสัญญาที่เกิดร่วมกับวิญญาณขันนั้นชื่อว่าสัญญาขันภาษาและเจตนาที่เกิดร่วมกับวิญญาณขันนั้นชื่อว่าสังขารขันขันทั้งสี่ดังว่ามานี้ชื่อว่าอรูปขันอันหนึ่งมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ชื่อว่ารูปขันบรรดารูปและอรูปขันนั้นอรูปขันสี่เป็นนาม รูปประคันเป็นรูปมีธรรมะอยู่สองอย่างเท่านั้นคือนามหนึ่งรูปหนึ่งไม่มีสัตว์หรือชีวะนอกจากธรรมะสองอย่างนั้นเพิ่งทราบกรรมฐานที่ทำให้บรรลุอรหัตผลด้วยอำนาจธาตุหกโดยโย่อของพิสูรรูปหนึ่งดังว่ามานี้พอพูดถึงนามรูปปับ๊บปัดใจเท่ากับพูดแล้วแต่ถ้ากำหนดโดยพิสดารน่ บอกว่าครั้นกำหนดมหาภูตรูปสี่แล้วจึงกำหนดอุปาทายรูปยี่สิบสามตามแนวแห่งการกำหนดอากาศธาตุต่อมาเมื่อจะ ก, กำหนดปัดจจัยของรูปเหล่านั้นก็พิจารณามหาภูตรูปสีนั่นแหละอีกแล้วประมวลลงในโกธาสะคือส่วนที่เป็นมหาภูตรูปสี่ปฐวีธาตุมียี่สิบส่วนยี่สิบส่วนในกายนี้ก็ประกอบไปด้วยผอมขรเล็บันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยนในกระดูกมา้ามหัวใจตับไส้ต่อ น, นั่นและ แล้วก็ที่เป็นอะโปธาต์คืออะไรโปรธาต์มีสิบสองน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำมันข้นน้ำมันเลี้ยวน้ำไข่ขอน้ำมดูดพวกนเนี้ยเรียกว่าอะโปธาต์เตโชธาต์มีสี่อย่างคือเตโชธาต์ที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นหน้าหนาว น, นี่จะเห็นชัดนะเตโชธาต์มันอุ่นนะทามันไม่ค่อยอุ่นนี่ก็ชอยู่ไม่สนุกแล้วนะเตโชธาต์ที่ทําให้ร่างกายแก่ชรลาเอโฟกัสในี้จํามันนี้แม่นไห บ อ, อกว่าถ้าเตโชธาตไม่ทํากิจนะั้นไม่เท่านะเตโชธาตนี้แท้ๆเลยนะตัวที่ทําให้เท่าล่วงตามทานไว้นะ่นะแล้วก็เตโชธาตที่ทําให้ช่วยย่อยอาหารเนี่ยนะถือว่าเตโชธาตมีความสมําคัญมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขณะไข่อะ่ะป่วยไขย้นี่จึงมีสี่อย่างวายโยธามีหกส่วนหกส่วนก็คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องตามลงในท้อมในลําไส้แล้วก็อะไร ลมพัดทั่วสารพางกายเออที่นั่งอยู่นี่ตกเป็นธาตุลมประเภทไหนทําให้นั่งนี่คือลมพัดทั่วสารพางกายทําให้นั่งแล้วเหลือลมอย่างหนึ่งคือลมหันใจเข้าลมหันใจออกกันอีสานเขาบอกงั้นอันลมจึงมีอยู่หกอย่างรวมเป็นกําหนดมหาภูตรูปสี่สิบสองส่วนเพิ่มอุปาทายรูปเข้าไปอีกสี่สิบสองบวกยี่สิบสามเท่ากับกําหนดรูปหกสิบห้าส่วน เมื่อพิจารณารูป65้าเหล่านี้และวัตถุรูปเข้าไปด้วยอีกวัตถุรูปคือตาหูจมูกลิ้นกายและหัทยะเป็น66รูปวิญญาณธาตุได้แก่จิต81ดคือโลกิยะจิต81เอดจิตทั้งหมดนั้นชื่อว่าวิญญาณขันธ์เวทนาเป็นต้นที่เกิดพร้อมกับจิตมีเวทนาถ้าจิตเท่าไหร่เวทนาก็เท่านั้นแหละเพราะวาเวทนาก็ปเอด มีจำนวนเท่านั้นเหมือนกันรวมความว่าเวทนาแปดสิบเอ็ดชื่อว่าเวทนาขันสัญญาเจตสิกเกิดร่วมกับจิตทุกดวงก็เท่ากับแปดสิบเอ็ดด้วยชื่อว่าสัญญาขันเจตนาเป็นตัวแทนของสังขารขันก็มีแปดิบเอดเหมือนกันเจตนาแปดิบเอดชื่อว่าสังขารขันรวมความว่าอารู ป, ปรขันสี่เหล่านี้เมื่อกําหนดด้วยอํานาจแห่งธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามก็ได้แก่ธรรมายตนะสามร้อยยี่สิบสี่ แปดสิบเอดคณี่เท่ากับสารอยยี่สิบสี่โอ้แม่นเนาะเท่ากับนามสามร้อยยี่สิบสี่รูปหกสิบหกโอ้กำหนดเอาเถอะเพราะทั้งหมดก็คือรูปกับนามเท่านั้นแล้วก็รูปกับนามทั้งหมดเนี่ยนะรูปประทับหกสิบหกนั้นประมวลมาแล้วก็เหลือแค่สองอย่างเห็นไหมคือนามกับรูปไม่มีสัตว์ชีวะนอกไปจากธรรมะสองอย่างนั้น โยคาวจรครั้งกําหนดเบญจะขันโดยเป็นนามเป็นรูปดังว่ามานี้เมื่อแสวงหาปัจจัยของนามรูปเหล่านั้นก็เห็นปัจจัยอย่างนี้ปัจจัยก็คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยเพราะมีกรรมเป็นปัจจัยเพราะมีอาหารเป็นปัจจัยอันนี้เป็นลักษณะของยาตะปริญญาเป็นประเภทยาตะปริญญาแล้วก็ข้ามพ้นความสงสัยในการทั้งสามแม้ที่เป็นอดีต คือนามรูปนี้เป็นไปแล้วด้วยปัจจัยเหล่านี้อ่ะนะขณะนี้เป็นไปด้วยปัจจัยอย่างนี้ในอดีตก็เป็นไปด้วยปัจจัยอย่างนี้แม้ในอนาคตก็จะเป็นไปด้วยปัจจัยเหล่านี้แม้ปัจจุบันก็เป็นไปด้วยปัจจัยเหล่านี้เหมือนกันจากนั้นก็ปฏิบัติตามลําดับจนกระทั่งเป็นท่ารหัตอรหัตตผลเลยพึงทราบกรรมฐานเป็นเหตุให้บรรลุอะรหัตตผลด้วยอํานาจธาตุหกแม่โดยพิสดารดังว่ามานี่อันหนึ่งคําที่เรากล่าวว่า ธรรมะที่เราแสดงนี้ใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่หมองมัวสมณะผู้รู้ไม่ติดไม่คา้านคือภาษายตนาหกดังนี้นี่เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วที่สุดทั้งหลายภาษายตนาหกนี้ภาษายตนาคืออะไรก็คือภาษะที่เป็นบอกเกิดของวิบากภาษะอายตนาเนี่แปลว่าบอกเกิด ภาษาที่เป็นบอ่อเกิดบอ่อเกิดของอะไรบอร่อเกิดของวิบาก ค, คืออะไรบ้างตาหูจมูกเลนกายและก็ใจคําที่เรากล่าวว่าธรรมะที่เราแสดงนี่นะใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่หมองมัวสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่ติไม่ค้านคือภาษายตนะหกดังนี้นี่เราอาศัยภาษายตนะคือตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยกล่าวแล้วแล นะกลับไปหน้าสองอปดสหคืนอีกครั้งหนึ่งเนาะจะได้ดูคำอธิบายในอัตกถาคำว่าจากคุ่งภัสายยตนางความว่าจากสูชื่อว่าอายตนะเพราะความหมายว่าเป็นบอกเกิดอาบอกเกิดนี่หมายความว่ายังไงโดยอัฐาว่าเป็นสมุทฐานแห่งภัศเจ7ดที่เกิดพร้อมกับวิญญาเจเหล่านี้คือจากคู่วัตถุเนี่ยนะทำให้เกิดจากคูวิญญาณสองสัมปติชนจิตสองสันติรณจิต สเปรียบเหมือนทองคําเป็นต้นเป็นบอกเกิดของทองคําเป็นต้นจากคู่นี้เป็นที่อาศัยเกิดของจากคูวิญญาณเป็นต้นนั่นเองส่วนทางหูล่ะหูก็คือโสตวิญญาณกี่ดวงสองดวงสัมปติชนะสองสันติรณนะสาทางจมูกกี่ดวงเจ็ดวงเหมือนกันนั่นแหละคือขานวิญญาณสองสัมปติชนะสองสันติรณนะสาม มโนภสษายตนางเพิ่งทราบว่าวิบากภาษยี่สิบสองวิบากยี่สบสองคืออะไรบ้างกรรมฐานนี้มาด้วยอำนาจภาษายตนาหกดังว่ามานี้ยี่สิบสองก็คือมหาวิบากเท่าไหร่แปดมหากตาวิบากอีกเก้าแล้วก็สัมปติชนะ 2. สองสันติรนะสามรวมเป็นสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดบวกห้าเท่ากับ ยี่สิบคือสัมปติชนะสองสันติรนะสามหาวิบากแดมหักตาวิบากเกกรรมฐานนี้มาด้วยภาษาหนะภา ษ, ษายตนาหกรรมฐานนั้นควรกล่าวทั้งโดยย่อและโดยพิสดารว่าโดยย่อก่อนก็ในอยตนาหกนี้อยตนะห้าข้อแรกชื่อว่าอุปาทายรูปตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอุปาทายรูปเมื่อเห็นยตนะห้านั้นแล้วก็เป็นอันเห็นอุปาทายรูปที่เหลือด้วย อายตนะที่หคือจิตเป็นวิญญาณขันธ์ธรรมะสามที่เหลือมีเวทนาเป็นต้นที่เกิดพร้อมกับวิญญาณขันธ์นั้นเป็นอารูปะขันธ์เพื่ทราบกรรมฐานที่เป็นเหตุให้บรรลุอรหัตผลทั้งโดยย่อทั้งโดยพิสดารตามนัยยะที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นเชนนี้แหละมาขึ้นมโนโปวิจารสิบแปดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย ก็คําที่เรากล่าวว่าธรรมะที่เราแสดงนี้ใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่หมองมัวสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่ติไม่ค้านคือมโนปวิจารสิบแปดมโนปวิจารนี้แปลว่าอะไรแปลว่าการท่องเที่ยวไปของใจการท่องเที่ยวไปของใจในฐานะสิบแปดด้วยเท้าคือวิตกวิจารความหมายของเขาอะนะเอาใหม่นะ การท่องเที่ยวไปของใจในฐานะสิบแปดด้วยเท้าเที่ยวก็มีเท้าเที่ยวใช่ไหมเท้าที่ว่าคือวิตกวิจาร์มโนปวิจารสิบแปดนี่เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วบุคคลเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูก้องโพธภาพด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้ว ใจของบุคคลนั้นย่อมเคล้ารูปเสียงกลิ่นรสผลธตาาัธรรมรมไอ้คำว่าเคล้าตรงนี้หมายถึงนึกน่วงหรือว่าส่งใจเที่ยวไปเที่ยวไปอย่างใกล้ชิดเคล้าคลึงนึกน่วงนั่นเองเคล้าคลึงหรือนึกน่วงหรือหน่วงนึกอ่ะน่วงนึกถึงรูปใช่ไหมใครเคยคิดถึงรูปไหมน่วงนึกถึงรูปน่วงนึกถึงเสียงสมมติถ้าน่วงนึกถึงรูปเป็นยังไงเช่น นึกถึงหน้าเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมอ่านึกถึงคําพูดของเพื่อนนึกถึงไปได้กลิ่นน้ําหอมอะไรทักอย่างหนึ่งก็นึกถึงกลิ่นไปทานอาหารที่ไหนมาโอ้อร่อยอร่อยนึกถึงรสนึกถึงโพธพภะนะแล้วก็นึกถึงธรรมรมเรื่องราวบัญญัติต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นพอนวงนึกอย่างนั้นแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งสมนัตพอนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโรพธพภะบางอย่างก็ยิ้มแป้เลยใช่ไหม ใครนึกแล้วไม่เคยยิ้มบม้ันแสดงว่าน่าดูงี้นนะแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งโทมนัทหนึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาหนึ่งเวทนามีเท่าไหร่ตรงนี้มีเวทนาสามคือโสมนัทโทมนัทและอุเบกขาอ่านึกถึงรูปแล้วเป็นโสมนัทนึกถึงรูปแล้วเป็นโทมนัทนึกถึงรูปแล้วอุเบกขาใช่ไหมได้เท่าไหรล่ละ สามสามคูณอารมณ์หกเท่ากับสิบแปดโอ้โหรวบโมรูป ห, หางครบทสิบแปดพอดีเลยใช่ไหมถ้านึกถึงรูปแล้วโสมนัตเป็นอย่างไรอ่ะนะ น, นึกถึงรูปที่เราชอบอ่นนะนะพักเดียวเดี๋ยวก็โสมนัตล้วนึกถึงรูปที่เราชอบทําให้เกิดโสมนัตถ้านึกถึงรูปที่ที่ไม่เป็นที่ชอบอ่นนะนะนึกถึงรูปที่เราไม่ชอบเป็นโทมนัตเนี่ยทุกแล้วถ้านึกถึงบางรูปแล้ว เฉยเอนี้นะมีคนอยู่สามคนคนหนึ่งเราชอบมากเวลานึกถึงหน้าปั๊บเนี่ยนั่งยิ้มคนเดียวได้เลยนึกถึงบางคนนะโขก ห, หน้าโผล่มาวับเนี่ยยิ้มไม่ออกเลยนะหกทันทีเลยนะนึกถึงบางคนก็เฉยสีเนี่ยสีเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสสามอย่างสังเกตดูนะวั น, ว, นวันหนึ่งนะเราปล่อยใจไปกับมโนปวิจารเนี้ยมันเดินท่องเที่ยวไป สังเกตดูเช่นขณะที่เรานั่งรถขับรถอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยสีเนี่ยมาละสามอย่างนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งดีใจบ้างเสียใจบ้างเฉยบ้างนึกถึงเสียงเหมือนกันเสียงบางคําเนี่ยนึกแล้วยิ้มเลยบางเสียงบางคํานึกแล้วเฉยเสียงบางคํานึกแล้วเสียใจมากเกล่นรถโ พ, พธะพระธรรมลมก็ก็เหมือนกันอย่างเรื่องบางเรื่องนึกแล้วยิ้มเลยเรื่องบางเรื่องนึกแล้วทุกเรื่องบางเรื่องนึกแล้วก็เฉย อันนี้เเรียกว่ามโนปวิจาร์สิบแปดการท่องเที่ยวไปของใจในฐานะสิบแปดเพราะฉะนั้นคำที่เรากล่าวว่าธรรมะที่เราแสดงใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่หมองมัวสมณพรามผู้รู้ไม่ติไม่ค้านคือมโนปวิจาร์สิบแปดดังนี้นี่เราอาศัยมโนปวิจาร์สิบแปดมีรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งสมนัตเป็นต้นนี้แลกล่าวแล้ว มโนปวิจารสิบแปดพอเข้าใจนะไม่เป็นไรไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไว้อ่านใหม่อันหนึ่งคําที่เรากล่าวว่าธรรมะที่เราแสดงนี้ใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่หมองมัวสมณะพรามผู้รู้ไม่ติไม่ค้านคืออริยสัจสี่ดังนี้นี่เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะอาศัยธาตุกประกอบพร้อมกันเข้า ความตั้งคันย่อมมีพระองค์เนไ่ไหมาตั้งแตเกิดเลยเนะทาะธาตุหกคืออะไรบ้างปฐวีธาตุอปโปเตโชวาโยอากาศและวิญญาณความตั้งคันย่อมมีเมื่อความตั้งคันมีนามรูปย่อมมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายยตนะย่อมมีเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยภาษะย่อมมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีภิกษูทั้งหลาย เราบัญญัติอริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธทุกทุกขสมุทัยทุกขานิโรธทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทานนี่สําหรับบุคคลผู้เสวยเวทนานั่นแหละใครรู้ไหมก็บัญญัติอริยสัจลงในผู้รู้อะนะผู้เสวยเวทนาก็คือผู้รู้นั่นเองก็คือถามว่าอริยสัจที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละแต่มันไม่ครบสี่สิมีแค่สองมีอะไรบ้าง ทุกขสมทัยเราก็ตั์จ่าเหมือนกันนะแต่ตัดจ่าบางอย่างไม่เพ่งตากนาเหมงนกันทุกควรปริญญาตามอ้าวทุกคืออะไรบ้างอ่าคลิกไปอีกหน้าหนึ่งก็ทุกขาริยศัตร์เป็นอย่างไรชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แก่นี่ทุกหรือเปล่าเนาะมรณเปนทุขังแม่ความตายก็เป็นทุกข์ โสกะประริเทเวทุกขโทมานัตสุ ป, ปายาสาปิทุกขะแม้ความโศกความคร่ำครวญความไม่สบายกายความเสียใจความตรอมใจก็เป็นทุกข์ตรอมใจนี่เป็นยังไงเนาะใครเคยบ้างตรอมใจก็ทุกข์โศกคร่ำครวญไม่สบายกายเสียใจเนี่ยก็ฟังเข้าใจแต่ว่าตรอมใจก็มาจากบาลีว่าอุปายาตอุปายาตบางสำนวนก็แปลว่าความคับแค้นใจมันคับใจมาก น, นี้ก็ตรอมใจ อภิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ปีเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพลาดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักกับพลาดพลาดจากของรักเอาไหนไม่ดีทั้งคู่เลยเนาะแต่ว่าประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักนะก็ทุกข์พอสมควรนะแต่เขาบอกว่าการพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นความทรมานเขาว่า เมื่อวานถามผู้การไอ้ทรมานนี่หมายถึงว่าไงทรมานมาจากสาปไหนเอาเรียนอภิธรรมนี่สองข้อลงนี่ทรมานธุระเอาสะอูเป็นรอเรือนะผ่านก็มาจากทุกบวกมาณนะแปลว่าอะไรแปลว่าใจสาอูเป็นสระโอก็เป็นโทมนัสนั้นทรมานก็คือโทมนัส เ, เวทนาเกิดร่วมกับโทสะคำนวนไทยๆก็กเป็นความทรมานเขาอกงั้นสรุปแล้วทุกทั้งคู่นั่นแหละ ยามปิดชังนั้นลภติตาปิทุกขงังแม้ความไม่ได้สมปรารถนาก็เป็นทุกข์คิดนึกแล้วไม่ไม่สมใจหวังอ่ะเนาะสังคิตเตนะปัญจุปาทานขั้นธ า, น ท, า, น ท, านทุกขาย่อเข้าแล้วอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์นี่พิกสูทั้งหลายเรียกว่าทุกขาริยสัตต์ตัวไหนนะตัวทุกขันห้านะส่วนไหนมัางโยในร่างกายของเรานี่อยู่ส่วนไหนมงมันทุกส่วนเลยนั่นแหละ ส่วนไหนไม่เป็นขันท่าบ้างเอาดิสรุปแล้วมันตัวทุกข์ทั้งนั้นเลยอ่ะนะเพราะมันเข้าเงื่อนไขาชาติชราเป็นต้นทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นอย่างไรเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าทุกขะสมุทัยอริยสัจได้แก่ตันหาสามใช่ไหมว่าตันหาที่นําไปสู่พบใหม่สหรคต ด, ด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความยินดีมีความเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์นั้นน่นะคือกามะตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาเราเคยได้ยินอย่างนั้นใช่ไหม ยายางตันหาโปโนภวิการนันทิราคษาคตาพวกนั้นแต่ตรงนี้กล่าบอกว่าวิชาปัจญาสังขาราวิชาปฏิจจสมปตัตยเพราะอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย จ, จึงมี ตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพ่อเพราะเพราะเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโซโกะปริเทวะทุกขะโทมนั้นอุปาญาตเป็นนั้นว่ากองทุกทั้งมวล น, นั้นเกิดขึ้นแล้วด้วยประการชนีก็บอกว่าเอวะเมตัสะเกวลัสะทุกขขันธัสสะสมุทะโยโหติเขาว่ากันเกวรัสสะหรือเกวลัง ก็บอกว่าเกวรลังเนี่ยนะแปลว่าล้วนๆทุกขษะอะไรล้วนๆนู้ยกองทุกล้วนๆเลยนะทุกบริสุทธ์เลยอะ่ะไม่มีอะไรอย่างอื่นแทรกแซงเจือปนมาเลยอะ่ะเนี่ยแปลว่าเกวรัสสาทุกขขัน้นทักษาว่ากันสมูทโยโหติมันสมูทไทหรู้ว่าทุกมันเกิดขึ้นแบบนี้แลพันถามว่าสมูทไทยของสังขารได้แก่อะไรสมูทไทยได้แก่สังขารได้แก่อะไรก็อวิชา สมูทายของวิญญาณได้แก่สังขารสมูทายของวิญญาณได้แก่สังขารสมูทายของนามรูปได้แก่วิญญาณนะเปลี่ยนคำนวณใหม่นะเนาะของเก่านั่นแหละทีนี้ถ้าทุกขานิโรธอริยศาสตร์เป็นอย่างไรถ้าส่วนทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่าความดับด้วยอำนาจความคลายกำหนัดไม่มีส่วนเหลือความสลละความสลัดคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรซึ่งปัญหานั่นแล สละตันหาเสดได้นั่นแหละเป็นทุกข์นิโรธแต่ตรงนี้ท่านกล่าวว่าอวิชายตเวาเสสะวิราคนิโรธาสังขารนิโรโธเป็นต้นนั่นนะว่าเพราะอวิชชาดับไม่เหลือสังขารก็เลยดับเพราะสังขารดับวิญญาณก็ดับเพราะวิญญาณดับนามโลกก็ดับเพราะนามโลกดับสลายยตนาก็ดับเพราะสลายยตนาดับภาษาก็ดับเพราะภาษดับเวทนาก็ดับเพราะเวทนาดับตันหาก็ดับเพราะตันหาดับ อุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับภพบก็ดับเพราะภพดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมานะอุปายาตก็ดับกองทุกข์ทั้งมวล น, นั้นก็ดับไปด้วยประการอย่างนี้อะแค่ไหนก็ดับไปด้วยประการชนิดแค่ไหนอรหัตผลเอาแบบสูงสุดเลยนะเราฟังยังไงก็นึกไม่ออกเลยเนาะแสดงว่าศึกษาไปอีกเถอะ นี่ภิกษุทั้งหลายเราเรียกว่าทุขันิโรธอริยสัจทุกขันิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรอริยมรตมีองค์แปดนี้เท่านั้นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์กันนะคือสามมาทิฏฐิความเห็นชอบอ่าถ้าหากว่าอริยมรตเนี่ยนะขอให้รู้เธอว่าในองค์มรตแปดนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นเอง แต่ถ้าส ม, มาทิฏฐิทั้งหมดเคยได้ยินมีเท่าไร่สมาทิฏฐิ ม, มีเท่าไรมีห้าหนึ่งกามสักตาสมาทิฏฐิสองสองอะไรมิปัสสนาส ม, มาธิฏฐิสามฌานฌานส ม, มาธิฏฐิสี่มัคคสมาธิฏฐิห้าผลสัมมาธิฐินะผลตรงนี้เอาอะไรรู้ไหมถ้าทุกขนิโรธคามินีปฏิปท า, าริยสัตว์ได้แก่มัคคสั ม, มาธิฏฐิถ้าเฉพาะตรงนี้นะ แต่ว่ามัคคสัมมาทิฏฐิจะต้องอาศัยกัรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐินั่นแหละเป็นปัจจัยให้ปัญญาก็มีปัญญาเป็นปัจจัยนะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่พิสูจทั้งหลายเราเรียกว่าทุกข ني โรธคคามินีปฏิปทาอริยสัจ นะธรรมะที่เรากล่าวว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยไม่มีใครคัดค้านเป็นต้นนะนะก็คืออริยสัจสี่ดังนี้นี่เราอาศัยความจริงสี่อย่างมีทุกข์เป็นต้นนี่แหละกล่าวแล้วว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพันสัมมาทิฐิตรงนี้เนี่ยมีหลายระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็คือหนึ่งกรร ม, มัสสะตาสัมมาทิฐิสองวิปัสนาสามฌานสั ม, มาทิฏฐิต่อไปมัชสั ม, มาทิฏฐิ ในพระสูตเนี่ยหมายเอามาั้งแต่ว่าจริงๆแล้วส ม, มาธิฏฐิเนี่ยนะถ้ากรรมสกตาส ม, มาธิฏฐิดีสัมมาสังกปะคิดก็ดีด้วยคําพูดก็จะสอดคล้องกับกรรมสกตาเป็นต้นก็จะวนมานี้เพื่อส ม, มาทิฏฐิชั้นสูงขึ้นมาอีกเพื่อที่จะมาเข้าสู่ระบบวิปัสสนาสมาธิฏฐิวิปัสน ส, มมปสนาส ม, มาธิฏฐิก็จะวนไปอย่างนี้เรื่อยๆอลักษณะวนแบบนี้นะ ระดับกรมมัสการตาสัมมาทิฏฐิก็ระดับหนึ่งก็วนแบบนี้ระดับหนึ่งสองวิปัสสนาก็วนแบบนี้ระดับหนึ่งแล้วก็ไปจนถึงมร์ระดับวิปัสสนาเนี่ยนะยานออกเป็นเท่าไหร่ดูไหมวิปัสสนาญาณทั้งหมดนะวิปาาัสสนาญาณถ้าเรียบเรียงไปแล้วเนี่ยตั้งแต่นามรูปปเฉทฐญาณจนถึงปัจเจเวขณะญาณทั้งหมดมีสิบหกสิบหกชั้นเนี่ยมันจะวนลักษณะ น, นี้แต่ถ้าเป็นอริยมร์นะถ้าเป็นอริยมร์เลย จะสมัครคีกันจะสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวถ้าเป็นในอารยมรตจะสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวแต่ถ้าหากว่าเป็นในเบื้องต้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติไปตามนี้เรื่อยมันต้องวนอยู่เนี่ยถ้าปฏิบัติเพียนเพื่ออะไรเพียนเพื่อให้มีสติสติเพื่ออะไรเพื่อสงบสงบเพื่ออะไรเพื่อปัญญาปัญญาเพื่ออะไรเพื่อมาคิดถูกต้องคิดถูกต้องเพื่ออะไรเพื่อพูดถูกต้องพูดถูกต้องเพื่อทําถูกต้องทําถูกต้องอาชีพจะได้ดีอาชีพดีจะได้ขยันถูก ทยันก so mm ็เ hmm. พ mm ื hmm. field, Hence, it? It? It, ่อไม่ประมาทไม่ประมาทก็เพื่อสงบสงบก็เพื่อปัญญาอีกนั่นแหละมันก็จะวนอยู่ลักษณะนี้จนกว่าอันนี้จะสัมพันธ์กันมีกําลังแต่ถ้าหากว่าในขณะองค์มรคเนี่ยอันเดียวเลยประชุมกันแต่ถ้าในเบื้องต้นนะจะเป็นปัจจัยหมุนไปอย่างนี้เขาบอกว่าถ้ามีศรัทธาศีลสุตตะจาระคปัญญาเป็นต้นก็ไม่ไกลเกินไปถ้ามีศรัทธาที่จะปฏิบัติแต่ว่าในชั้นต้นสำคัญที่สุดก็คือ เราเข้าใจเรื่องนี้เพียงพอไหมเพราะสัมมาทิฏฐินะอย่างเช่นกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิเราก็พอรู้ดีระดับวิปัสสนาคืออะไรก็คือรู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีอะความรู้ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างดีทุกแง่มุมนั่นแหละเป็นลักษณะของวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเพราะว่าการปฏิบัติก็คือการปฏิบัติเพื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทภาษาลิบุตรกล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมก็คือเห็น ปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นธรรมะนะวันนี้ก็คงใช้เวลาท่าเท่านี้